ตอนนี้ถ่ายทอดสามสามสามวันเลยเหล่อิน s ตา g กรมด้วยเหลอต่อไปก็คงจะใช้สามมิตินะกล้องสามมิติต่อไปพัฒนาไปเรื่อยๆเดียวหน่อยคนดูต้องสายแว่นดูพ <c oughs> อดีอนระจายเพราะว่าตัวนี้มันยังวา่างอยู่นะฮะก็เลยเอาตัวนี้มาถ่ายาอุ่นกระจายเออ เวลาไม่เสียตังค์เลยนะวันนี้ไม่มีคนกนะ็เลยคุ ย, คยเล่นๆไปมีอะไรอยากกระถามไหมไมยังนะ ม, มาจากที่ไหนอะสิงคโปร์แฟนเป็นชาวสิงคโปร์เลยแล้วหนูอยู่ที่นั่นด้วยเลย อยู่นานหรือยัง5ปีแล้วค่ะ5ปีเนี่ยเรกลับมาบ้านทุกปีเลยก็จะบวชเจ็ดสี่สิบค่ะเจ็ดวันอ่าที่ไหนยังไม่รู้ว่าจะถึงที่ไหนดีค่ะอ๋ะออยากจะไปที่ไหนล่ะก็อยากจะอยู่ที่ ราคาที่เขามีหรือเปล่ามีเนให้อยู่ได้เจ็ดวันนุ่งขาวห่มขาวมีหอพักก็ติดต่อที่วัดยานที่สำนักงานที่อยู่ข้างล่างเนี่ยที่วัดนะรู้จักวัดใช่ไหมทางลานวัดยานนะไม่ใช่ป่าไม้นะที่ไปไปที่วัดยานที่มีเจดีมีโบสถ์แล้วก็จะมีสำนักงานเข้าไปที่สำนักงาน แล้วก็จองที่พักได้ถ้ามีว่างเขาก็ให้อยู่ได้ไดเเ้เพราะว่าเพราะว่าอธิษฐานไว้ถ้าแม่ได้มาอยู่ที่จันคือเขาไม่สบายปวยน่ะไดอถือิให้เข า, เ, าเขามาอยู่ันได้ไปไปจองที่พักได้อจองไว้ก่อนก็จะดีจะได้มั่นใจ เพราะว่าบางทีถ้าเราไม่จองวันเดี๋ยวเรามาแล้วมันอาจจะไม่มีที่อ อ, อ, ออยู่ได้ผู้ชายก็มีที่อยู่ก็มีตึกของผู้ชายมีตึกของผู้หญิงแยกกันอยู่แยกกันใช่าหะแล้วเวลาปฏิบัติรวมกันไหมคะก็ลงบวชเช้าเย็นด้วยกันลงบวชไหว้พระ ส, สวนมนต์นั่งสมาธิ<ไ>ตอนบ่ายอยากจะฟังธรรมก็ขึ้นมาบนเขาเนี่ แล้วก็ตอนเช้าก็ไปใส่บาทที่ศาลากันได้ตอนเช้าของหนูถือสิ่งท่านได้ไหมคะเพราะว่าหนูมีหนูต้องกินยาค่ะได้เมื่ถ้าเฉพาะเรื่องกินยานะนนาคือแต่ก็เราไม่แน่ใจว่าเขาเขาบังคับแบบเข้มข<อ>เข้มเข่งขันหรือเปล่าหรือเขาอนุญาตได้ต้องถามถามก็ดู <c oughs> <c oughs> แต่โดยปกติเขาจะถือศีลแปดกันแต่หนูมียาต้องกข้าวเพ่ออันนี้ก็ต้องลองถามเขาดูดีกว่าอันนี้เราไม่ทราบแล้วมามาที่นี่ได้ยังไงใครนี่นำมาเลยหนูรู้จักที่พี่ต่อค่ะอ๋อพี่ต่อที่พฏิยาต้เลยแล้วหนูก็ฟังทำที สิงคโปร์ด้วยอ๋อติดตามถ่ายทอดสดอยู่แฟนเขาสนใจไหมมีห <แฟ S 1> นังมีห <แฟ S 1> นังสือเป็นภาษาอังกฤษให้เขาอ่านได้มีหรอมีอยู่ที่ที่หลังนู่นเนี่ยมีชั้นวางเป็นหนังสือภาษาอังกฤษมีใครอยากจะถามอะไรไหมมีต่างชาติเ้ามายังไม่มีนะวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไร อากาศหนาวธรรมะหลบเข้าข้างในเคยไปอยู่ที่อุดอนบางทีเวลาหนาวหนาวนี่มันน่นอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมานั่งสมาธิเพราะมันหนาวมากโอบผ้าแล้วมันก็ยังยังหนาวอยู่พอลุกขึ้นมานั่งสมาธิจิตมันเข้าข้างในมันเลยไม่รู้สึกหนาวจิตไม่รับรู้ อากาศที่มาสัมผัสกับร่างกายจิตมันหลบเข้าข้างในเวลานั่งสมาธินี้เราดึงจิตออกจากร่างกายจิตกับร่างกายนี้เป็นคนสองคนเชื่อมต่อด้วยสายเหมือนสายสายปลั๊กกับปลั๊กที่เราเสียบกับทีวีอย่างเงี้ยถ้าเราถอดปลั๊กออกไฟก็ไม่เข้าเครื่อง จิตเรานี้ถ้านั่งสมาธิก็หมายถกับถอดปลั๊กออกจากร่างกายมันจะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายจะไม่รับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสความรู้สึกของร่างกายหนาวร้อนนี้มันจะไม่รับรู้มันจะยุติการรับรู้ชั่วคราวเราใช้สติดึงมันออกมาใช้สติถอนปลัก๊กจิตเรานี่มา อยู่อยู่อีกที่หนึ่งอยู่คนละที่กับร่างกายอยู่คนละโลกกันร่างกายอยู่โลกกานแต่จิตนี่อยู่ในโลกทิพย์เวลาที่ร่างกายตายไปก็เหมือนถอดปลากออกจากร่างกายจิตก็ยังอยู่จิตไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตเป็นโลกอยู่ในโลกทิพย์เป็นร่างทิพย์เป็นกายทิพย์ถาถ้า ถ้าเป็นกายทิพย์ที่มีความสุขก็เรียกว่าเทวดาถ้ากายทิพย์ทีท่มีความทุกข์เราก็เรียกว่านาลกหรือเปรตหรือผีแล้วก็ร่างกายร่างทิพย์นี้ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็เสียบพักเชื่อมเข้าหากันแล้วก็เกิดออกมาจากท้องแม่ก็มาใช้ร่างกายนี้เป็นตัว รับสิ่งต่างๆรับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสรับความรู้สึกหนาวเย็นแข็งนุ่มเนี่ยผ่านทางร่างกายแล้วใจก็เสบรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านี้มีความสุขถ้าได้เสบกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ทุกถูกใจมีความทุกเวลาต้องเสบกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจ นี่ก็คือการหาความสุขของใจคือกายทิปอาศัยร่างกายอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายรับรูปเสียงกลิ่นรสมาเสพทุกวันนี้เราก็เสพไอห้าอย่างนี้เนี่ยเรามีตาเราดูเห็นอะไรก็ดูดูแล้วก็มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างเมื่อเห็นสิ่งที่ถูกใจก็สุข เห็นที่ไม่ถูกใจก็ทุกข์ก็เสพไปอย่างนี้ถ้าเจอทุกข์ก็หนีมันเห็นภาพที่ไม่ถูกใจก็หนีมันไปดูหาหาภาพที่ถูกใจดูเราก็สุขทุกข์ก็หายไปรับรู้เราก็หายไป ใจก็อยากจะมีความสุขก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆต้องดูอยู่เรื่อยๆต้องฟังอยู่เรื่อยๆต้องหาอะไรดื่มหาอะไรกินอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขอยู่เฉยๆแล้วมันเปิดอัดหดห ด, หดหหลําคาญใจเศร้าซ้อยง้อยเหงาว้าเหว่เพราะมีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นลดเหมือนคนที่ติดบุหรี่ติดสุรา ติดยาเสพติดเวลาไม่ได้เสพสุรายาบุหรีหรือยาเสพติดมันจะงุดเก็บนะก่อนเราเป็นเราพวกเรานี้ติดเหมือนคนติดยาเสพติดติดรูปเสียงกลิ่นรของคนนั้นของคนนี้อยากอยู่ใกล้คนนั้นอยากอยู่ใกล้คนนี้ วเวลาไม่ได้อยู่ใกล้ก็เหง า, ว, าว้าเหวนี่คือชีวิตของพวกเราเราคือจิตผู้อยู่ในโลกทิพย์แล้วมาเสียบปลักเข้ากับร่างกายที่อยู่ในโล ก, กธาตุคาว่าโล ก, กธาตุธาตุสี่ดินน้ําลมไฟร่างกายนี้ทํามาจากธาตุสี่ อามาจากดินน้ำลมไฟร่างกายเราโตขึ้นมาได้เพราะข้าวผักอาหารมันก็มาจากดินน้ำที่เราดื่มก็ไปลมที่เราหายใจเข้าออกอย่างนี้แล้วก็เกิดความร้อนขึ้นมาในร่างกายธาตุไฟคือธาตุสี่โลกนี้ทั้งโลกทําด้วยธาตุสี่ทั้งนั้นทุกอย่างเนี่ย ต้นไม้กุฏิไฟหลอดไฟอะไรของต่างๆอันนี้เป็นธาตุั้งนั้นส่วนใหญ่ที่เราเห็นจะเป็นธาตุดินไงของแข็งๆนี่เรียกว่าธาตุดินถ้าของเหลวก็ธาตุน้ําเครื่องดื่มต่างๆานี่ก็ธาตุน้ําลมก็ลมที่เราหายใจลมที่พัดไปพัดมานี่ในโลกนี้มีแค่สี่อย่างนี้เท่านั้นอ่ะมีดินน้ําลมไฟ พอมารวมกันก็เป็นต้นไม้บางเป็นภูเขาเป็นเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยทุกอย่างนี่มาจากดินน้ำลมไฟมีคนกับสัตว์นะที่มีมีธาตุที่ห้าคือธาตรู้คือใจมามาเกี่ยวข้องด้วยมามาครอบครองใจเ้านี่มาครอบครองร่างกาย เหมือนเราไปครอบครองรถยนต์เนี่ยแล้วเราก็ขับรถยนต์ไปไหนมาไหนใจก็มาครอบครองร่างกายแล้วก็ขับร่างกายให้ไปไหนมาไหนเนี่ยเราจะมาได้นี่เราต้องสั่งร่างกายก่อนผู้ที่สั่งก็คือใจใจคือผู้รู้ผู้คิดนร่างกายไม่รู้อะไรคิดไม่คิดอะไรร่างกายไม่มีความรู้ไม่มีความคิด ความรู้ความคิดนี้อยู่ที่ใจใจเป็นผู้คิดผู้รู้ใจก็คิดอยากได้รูปเสียงกดลดิ่นรสใจก็สั่งให้ร่างกายไปหาลูปเสียงกดลิ่นรสมาเสกแต่รูปเสียงกดลิ่นรสนี้มันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปแล้วก็ทำให้เหงาทำให้หิวทำให้อยาก ก็ต้องไปหาใหม่เวลาหาได้ก็มีความสุขเวลาหาไม่ได้ก็มีความทุกข์เสียใจไม่สบายใจว้าเหวหงุดหงิดลำคาญใจนี่คือวิธีหาความสุขของพวกเราเพราะเราไม่รู้ว่ามีความสุขที่ อีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่เรากาลังหาอยู่นี่เพราะความสุขที่เราหาอยู่นี่มันได้มาแล้วก็หมดไปแล้วต่อไปร่างกายมันก็ต้องตายไปพอร่างกายตายไปก็ไม่สามารถหาความสุขได้ก็จะทุกข์พระพุทธเจ้าทรงหาวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่งก็คือวิธีมานั่งทำใจให้สงบ หยุดความคิดหยุดความอยากถ้าใจหยุดคิดมันก็จะหยุดอยากพอหยุดอยากแล้วมันก็จะสุขเกิดความสุขขึ้นมาภายในใจไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับใจใจสามารถมีความสุขในตัวเองได้อันนี้พวกเราไม่รู้กันไม่เคยเจอกันเจอแต่ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส เจอความสุขจากคนนั้นคนนี้เราก็เลยต้องวิ่งหาได้มาก็ดีใจเดี๋ยวพอเสียไปก็เสียใจเราก็ต้องหาใหม่ได้แฟนคนนี้มาเดี๋ยวถ้าเกิดเขาจากไปก็ต้องหาแฟนคนใหม่เพราะอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมันไม่สุขเราต้องหาแฟนใหม่ อาหาได้ก็สุขอาหารไม่ได้ก็ทุกข์เหนาการหาความสุขของเราตอนนี้เป็นการหาความสุขพร้อมๆกับการหาความทุกข์เพราะความสุขที่เราได้มันจะต้องหมดไปอพอมันหมดไปเราก็ทุกข์กันเลยเวลาเราไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายไปเราไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้เราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความซึมเศร้ า, ว, าว้าเหว่เศร้าซร้อง้อยเหงาหงุดหงิดตำคาญใจอารมณ์ไม่ดีเพราะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ ไม่รู้จากวิธีหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกายคือการหยุดความคิดทําใจให้สงบการทําใจให้สงบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายแต่ต้องใช้ธรรมะธรรมะที่มีอยู่ในใจเราแต่เราไม่เคยสร้างมันขึ้นมาคือสติเราไม่ค่อยมีสติมีเหมือนกันแต่มีไม่มากมีพอที่จะ ทำอะไรได้แต่ไม่มีพอที่จะหยุดความคิดมีพอที่จะรู้ว่ากำลังคิดอะไรกำลังจะไปทำอะไรแต่ไม่มีกำลังที่จะหยุดความคิดใจของเราก็เลยต้องไปหาความสุขตามความคิดไปเรื่อยๆเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครรู้ว่า ความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากการหยุดคิดความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบให้สบายอยู่คนเดียวได้เวลาใจสงบแล้วนี่มีความสุขไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้ไม่ต้องดูไม่ต้องฟังไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีอะไร อันนี้แหละคือความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ท่งคนพบแล้วนำมาสอนพวกเราว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่ถาวรได้มาแล้วจะไม่จากเราไปเราจะมีความสุขตลอดเวลาแต่ถ้าเอาความสุขทางร่างกายมันก็จะมแาบบลมลุกคุกั่นไปสามวันดีสี่วันข้บางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์ ทุกเพราะว่าอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วไม่ได้หรือเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปก็ทุกชีวิตของเราแบแบแบบลมลุกคุก ค, คานสามวันสุขสี่วันทุกสามวันดีสี่วันไข้แต่ถ้าเรารู้จักวิธีมาทำใจให้สงบได้เราจะมีแต่ความสุขไปทุกวันไม่มีสามวันดีสี่วันไข้ จะสุขไปทุกวันสุขไปตลอดและสุขโดยที่ไม่ต้องมามีร่างกายร่างกายนี้ตายไปก็ไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะความสุขแบบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกายพระพุทธเจ้าของพวกเราตอนนี้ท่านก็ยังมีความสุขอยู่ท่านก็ยังอยู่ในโลกทิพย์อยู่เหมือนพวกเราพวกเราก็อยู่ในโลกทิพย์แต่เรามาเสียบ ป, ปั๊กเข้ามาที่ร่างกาย มาเสียบแล้วมามาหาความสุขในโลกกธาตุที่เป็นความสุขวางที่เป็นความสุขที่ทำให้ใจเราทุกข์เพราะว่ามันเป็นสุขเดี๋ยวเดียวสุขแล้วแล้วก็หมดไปหมดไปความทุกข์ก็เข้ามาเราอยู่ในโลกทิพย์พระพุทธเจ้าก็อยู่ในโลกทิพย์แต่พระพุทธเจ้าไม่ส่งใจมาเกาะที่ร่างกายไม่ต้องมาหาความสุขผ่านทางร่างกาย พระพุทธเจ้าเลยไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีการเกิดเพราะไม่ต้องมีร่างกายพวกเรายังต้องมีร่างกายอยู่ถึงจะมีความสุขแล้วก็สุขเฉพาะบางเวลาสามวันดีสี่วันไข้วันไหนร่างกายไม่สบายก็หาความสุขไม่ได้วันไหนร่างกายแก่วันไหนร่างกายตายก็หาความสุขไม่ได้ แล่วันไหนไม่มีเงินก็หาความสุขไม่ได้สมัยนี้เราใช้เงินหาความสุขกันต้องมีเงินไปเที่ยวกันต้องมีเงินไปซื้อของที่เราอยากจะได้กันต้องมีเงินไปดูไปกินไปดื่มไปอะไรกันพอไม่มีเงินขึ้นมาก็ไปไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆก็เหงาหมุดหงิดว้าเว่เศร้าซ้อยง่อยเหงา นี่คือความสุขที่เราหากันมันเป็นความสุขที่สลับกับความทุกข์ไปสามวันดีสี่วันไข้ถ้าเราอยากจะให้มีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงเราก็ต้องหัดหยุดความอยากที่จะหาความสุขแบบนี้ถ้าเราอยากแล้วเราเลิอกอยากได้เราก็จะไม่ต้องม า, าทุกข์กับความสุขแบบนี้ เช่นความสุขจากการดื่มสุราเนี่ยคนที่เขาอยากดื่มสุราแล้วเขาได้ดื่มสุราเขาก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้วพอวันไหนเขาอยากดื่มแล้วไม่ได้ดื่มเขาก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเขาเลิกดื่มสุราได้เขาก็จะไม่มีความทุกข์กับเรื่องของการดื่มสุราความสุขที่ได้จากการดื่มสุราก็ไม่มีแต่ไม่เป็นไรไม่เสียหาย ไม่เดือดร้อนเพราะถ้าไม่มีความอยากแล้วจะไม่เดือมสุราก็มีความสุขได้อยู่เฉยๆก็มีความสุขได้ดันัหน้าที่ของเราก็คือเราควรที่จะมาเปลี่ยนหาวิธีหาความสุขกันมาหาความสุขด้วยการมาฝึกจิตทำใจให้สงบกันแล้วก็มาลดความอยากต่างๆกันให้มันน้อยลงไป ให้มันหมดไปเพราะเราไม่จําเป็นที่จะต้องหาความสุขด้วยความอยากเราหาความสุขด้วยความไม่อยากจะดีกว่าเวื่เราหยุดความคิดเราก็จะหยุดความอยากพอหยุดความอยากความสุขก็โผล่ขึ้นมาพอเกิดความอยากความสุขก็หายไปนี่คือใจของพวกเราตอนนี้กําลังหาความสุข ที่ไม่ถูกความสุขที่กลายเป็นความทุกไปความสุขที่จะต้องกลายเป็นความทุกขไปพก็เป็นความสุขชั่วคราวให้มาหาความสุขที่ถาวรที่ไม่กลายเป็นความทุกขคือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบทําใจให้หยุดคิดหยุดคิดแล้วก็จะหยุดอยากพอหยุดอยากไม่มีความอยากความสุขก็เป่าโผขึ้นมา แล้วถ้าอยากจะให้มันหายความอยากทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาก็อยากไปทำตามความอยากต่อไปนี้อยากจะดูหนังก็ไม่ดูอยากจะฟังเพลงก็ไม่ฟังต่อไปความอยากดูหนังก็หายไปความอยากฟังเพลงก็หายไปอยู่แบบไม่ดูหนังก็ได้อยู่แบบไม่ฟังเพลงก็ได้คนสมัยก่อนเขาอยู่ในป่ากันเขาไม่มีหนังให้ดูไม่มีเพลงให้ฟังเขาก็อยู่กันได้ นี่คือเรื่องของเราเราไม่รู้จากตัวเราเราไม่รู้จักวิทยาความสุขให้กับตัวเราเราไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราแล้วก็เราก็ไปหาความสุขผ่านทางร่างกายร่างกายเลยเป็นสิ่งที่เราลากเราหวงแล้วเราก็ต้องทุกข์กับ ร่างกายทุกกับความรักความหวงของร่างกายเราไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรแต่เราอยากไม่อยากหรือไม่อยากมันก็ต้องเป็นร่างกายนี้ไม่มีใครไปป้องกันมันได้ป้องกันไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา รู้ว่าเราไม่ต้องมีร่างกายเราก็อยู่ได้เราก็จะไม่ต้องอกลัวไม่ต้องทุกข์กับอะไรที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจะสอนให้เรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นเหมือนคนขับรถยนต์พังไปคนขับไม่เป็นอะไรไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเสียดายร่างกายมันจะแก่ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายปล่อยมันตายไปถ้าดูแลได้ก็ดูแลไปถ้าดูแลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นผู้ขับร่างกายผู้สั่งให้ร่างกายเดิน <amour players> ไปไปทางซ้าย <amour players> เดินไปทางขวาให้วิ่งให้ยืนให้นั่งให้นอนให้ทำอะไรต่างๆนีเราเป็นคนขับ <amour> เราไม่ได้เป็นร่างกายและเราไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขก็ได้ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขแล้วเรารู้ว่าร่างกายมันไม่ได้เป็นตัวเรา รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนปล่อยมันไปรู้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรรู้ว่าเราไม่ต้องพึ่งร่างกายเราสามารถพึ่งตัวเราเองสามารถหาความสุขในตัวเราเองได้ในใจของเรานี่ด้วยการหยุดคิดท่านั้นเองที่เรามา มาปฏิบัติธรรมก็เพื่อมาหยุดคิดนะถ้าหยุดคิดได้ใจก็จะนิ่งจะสงบความอยากก็จะหยุดไปความสุขก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าเราทำเป็นเราก็จะใช้วิธีนี้หาความสุขไปเรื่อยพวกพระที่มาบวชนี่เก็หาความสุขแบบนี้กันเขาไม่ได้ไปหาความสุขแบบที่พวกเราหากัน เราไม่ได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาหาความสุขจากการใช้สติควบคุมความคิดหยุดความคิดหยุดความอยากพอหยุดคิดหยุดอยากก็เกิดความสุขขึ้นมาสบายไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องต่างๆเหมือนที่พวกเราวุ่นวายกันอยู่นี้แล้วก็เป็นความสุขที่ไม่น่าเบื่อ ไม่เหมือนกับความสุขทางตาหูจมูกร่างกายถึงแม้ว่าจะมันจะสุขถ้าต้องเจอมันอยู่เรื่อยๆซ้ำซ้ำซากๆมันก็เบื่อได้เยอาหารจานเด็ดอาหารจานโปรดนี่ถ้าให้กินทุกวันนี่เดี๋ยวมันก็เบื่ออมันก็ต้องอยากเปลี่ยนอาหารใหม่อยู่ที่ไหนดีขนาดไหนเดี๋ยวก็เบื่ออยู่สิงคโปร์ดียังไงเดี๋ยวก็เบื่อต้องมาเมืองไทย อยู่เมืงไทยดีขนาดไหนเดี๋ยวก็เบื่อนี่คือความสุขทางร่างกายมันเป็นแบบนี้เป็นความสุขที่ไม่ถาวรไม่เหมือนเดิมมันมันเบื่อได้มีของดีขนาดไหนเดี๋ยวก็เบื่อซื้อของดีมาขนาดไหนเดี๋ยวก็เบื่อดี๋ยวก็อยากจะซื้อของใหม่เห็นห ม, มือถือกี่รุ่นออกมาเดี๋ยวก็เบื่อ ซื้อกี่เครื่อง<ม>เดี๋ยวก็เบื่อเวลาได้มาใหม่ๆก็สนุกเล่นกับมันไปสักพักใช้กับมันไปสักพักเดี๋ยวก็เบื่อแล้วอยากจะซื้อเครื่องใหม่แล้วนี่แหละคือความสุขที่ไม่จีรังถาวรถึงแม้ไม่ได้จากเราไปยังอยู่กับเราแต่มันก็ไม่ให้ความสุขเหมือนตอนที่เราได้มาใหม่ๆเวลาได้มาใหม่ ๆ, มๆโอ้โห แสนรักแสนหวงเดี๋ยวพอใช้ไปสักพักแล้วไม่หวงะเออเบื่อละรถเวลาซื้อมาใหม่ๆนี่ไม่ให้ใครแตะเลยพอขับไปสักพักต่อไปก็อ่ะก็อยากจะขอขับก็ให้ขับได้อันนี่คือความสุขที่เป็นความสุขที่น่าเบื่อ ต่อให้มีความสุขระดับไหนร้อยล้านพันล้านซื้อรถคันละร้อยล้านมาขับก็ซื้อขับมาได้กี่วันเดี๋ยวก็เบื่อใช่ไหมวันก่อนเห็นในในเน็ตมีรถรุ่นหนึคันหนึ่งราคาร้อยล้านไม่รู้จะขับไปไหนร้อยล้านนี่ไปขับบนถนนกรุงเทพเดี๋ยวมันก็ไปไหนไม่ได้รถมันก็ติด มันก็ติดกับรถที่ซื้อมาห้าแสนเนีโน้ห้าแสนกับรถ 5, ร้อยล้านมันก็ไปป <c oughs> <c oughs> มกมันอกูเ <c oughs> สียร 100, ๆๆ้อยล้านมึงเสียห้าแสนใครฉลายกว่ากัน <c oughs> ไปถึงที่หมายอันเดียวกันในเวลาพร้อมกันน <c oughs> ี่ขับรถจาก ทีนี่ไปกรุงเทพรถร้อยล้านกับรถห้าแสนเนี่ยมันก็ไปถึงเวลาใกล้ๆ ก, ก, กันนะั่นแหละแล้วมันไปเสียเงินร0อยล้านทำไมแล้วบางทีร้อยล้านนั่งได้แค่สองคนหนะ้าแสนนี่นั่งได้ต้องหลายคนมันทุกของได้ต้องเยอะแยะิ่งถ้าเป็นติ๊กอัพนี่แบบมันจกข้างหลังได้เป็นสนะิบเลย ปูเสือนั่งกันสบายมีลมพัดเย็นสบายนี่แหละไม่รู้คนโง่หรือคนฉลาดกันเหมือนกับว่าไม่ว่าคนรวยนะแต่เหมือนกับว่ายิ่งรวยยิ่งโง่เพราะมันไม่ได้ใช้เหตุผลละมันใช้อารมณ์มีเงินเยอะต้องซื้อของแพง ่ไม่ใช่เหตุผลว่าของนี่มันก็ทำหน้าที่เหมือนกันเสื้อผ้าใช่ไหมชุดละพันกับชุดละแสนมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันมันก็เป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นกระโปรงเหมือนกันใส่แล้วมันก็ปกปิดอวัยวะได้เหมือนกันปกป้องรักษาความหนาวเย็นได้เหมือนกันแต่ทำไมต้องไปเสียเงินแสนเมื่อเงินพันก็สามารถที่จะใช้ได้ เ, เรียกว่าโง่หรือฉลาดก็ไปคิดดูเอาละครัน แ, แต่คนมันโง่ด้วยกันมันก็เลยเชียร์กันใหญ่พอเห็นใครใส่ชุดปรแสนก็โหยยอก็ใหญ่โ อ, ح, สยอย้สวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้มันก็เลยพาให้โง่กันใหญ่พอไปใส่ชุดละพันก็ถูกก้อนตำหนิดูถูกเหยียดหยามโอ้มีเงินเป็นล้านล้านพันล้านมาใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ได้ยังไง พวกโงอด้วยกันน่ยแต่พวกคนเจลาดเขาไม่สนใจหรอกกูมีเสื้อผ้าไว้แค่ใส่ปกปิดเอาไว้ละท่านั้นน่ะมีเพื่อปกป้องรักษาร่างกายจากความหนาวเย็นจากมาริษสัตว์กัดต่อยพระพุทธเจ้าสอนพระเวลาใช้ผ้าเวลาจะห่มจีวรทุกครั้งให้พิจารณาเหตุผลของจีวรว่าห่มทําไมห่มเพื่อป ก, ป, กป้องปกป้องรักษา ร่างกายไม่ให้ถูกอาหารอากาศหนาวเย็นเข้ามาทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยบกป้องมแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆแล้วก็ปกปิดอวัยวะนี่แหละคือหน้าที่ของเสื้อผ้าเวลาใส่เสื้อผ้าให้พิจารณาปฏิสังขาโยกเรียกโยนิโสพิจารณาโดยรอบครอบโดยเหตุด้วยผล ถ้าเราใช้ปัญญาแล้วเราจะไม่ต้องเสียเงินมากพระพุทธเจ้าสอนให้พระใช้ของฟรีผ้านี้ให้ไปเก็บที่ในป่าชาสมัยพุทธกาลนี่ศพเขาหอา่อผ้าแล้วก็ไปวางทิ้งไว้ในป่าชาปล่อยให้มันเน่าเปื่อยพอเน่าเปื่อยแล้วผ้าก็ไม่มีผ้ามันก็สามารถที่แกะออกมาจากศพได้ แล้วก็เอาไปซักไปย้อมต้มต้มน้ําร้อนแล้วก็ซักมันเอาพวกน้ําเลือดน้ําเหนืองน้ําหนองอะไรที่มันติดกับผ้าให้มันออกไปผ้าแบบนี้ไม่มีใครอยากได้ผ้าสมัยก่อนไม่มีเงินผ้าไม่มีเงินผ้าก็เลยต้องหาผ้าแบบนี้มันก็ได้ผ้าเหมือนกันนุ่งห่มได้เหมือนกัน เสียเงินแสนกับเสียกับของฟรีมันก็เป็นทำหน้าที่ได้เหมือนกันนี่คือทางศาสนาเรานี่ให้ให้ใช้ปัญญาให้ใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์แล้วจะถูกหลอกให้ต้องไปดิ้นนนนหาเงินหาทองมาเหน็ดเหนื่อยไปเปล่าๆแล้วก็ไม่ได้อะไร ได้ผ้าเหมือนกันได้เครื่องนุ่ห่มเหมือนกันที่ ด, ดูกาจะหาเงินแสนได้นี่เหนื่อยแค่ไหนแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าชุดละแสนแล้วแล้สุดเรามีหาเงินพันมาซื้อเสื้อผ้าชุดละพันใส่ถ้าใช้ชุดละพันยังเหลืออีกต้องก้าเก้าหมืนกว่าบาทเอาไปซื้ อ, อย่างอืงอ่นที่จำเป็นต่อได้เยอะแยะ นี่คือธรรมะธรรมะคือเหตุผลพระพุทธเจ้าสอนด้วยเหตุด้วยผลทำหลไรนี้ทำด้วยเหตุด้วยผลเหตุผลที่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าไปหาความสุขทางร่างกายเลยเรามามาหาความสุขทางใจดีกว่าจะสบายกว่าจะไม่ต้องวุ่นวายเหมือนกับที่เรากาลังวุ่นวายกันอยู่ตอนนี้ หาความสุขทางร่างกายก็ต้องมีร่างกายร่างกายก็ต้องสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ต้องมีเงินทองถึงจะไปหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ถ้าไม่มีก็ไม่สามารถหาความสุขได้ถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขโดยไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองเราก็สบาย ไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปทำงานทำงานหามาได้ก็ใช้ไปหมดความสุขที่ได้มาก็หมดไปกับเงินที่เราใช้ไปแล้วก็มาต้องหาใหม่เพื่อมาใช้ใหม่แล้ววันไหนหาไม่ได้ก็ทุกข์อยู่เฉยเฉยไม่ได้อยู่บ้านเฉยเฉยไม่ได้แต่ถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบได้เราก็อยู่บ้านเฉยเฉยได้ ไม่มีเงินเที่ยวก็อยู่บ้านได้ไม่มีเงินซื้อของที่เราอยากได้ก็ไม่เดือดร้อนสามารถทาใจให้สงบสามารถมีความสุขได้อันนี้แหละเป็นความสุขของคนฉลาดไม่ต้องเหน็ดไม่ต้องเหนื่อยความสุขของคนโง่โงนีงนน่เหนื่อยต้องหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาที่ใช้เงินใช้ทอง พอมีเงินก็ต้องหาที่เที่ยวเลยไปเที่ยวที่บ้านท่วเบื่อต้องไปเที่ยวที่เมืองนอกเมืองนาไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาพอเบื่อก็ต้องเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปเขาจะให้ไปเที่ยวโลกพระจันทนระ์อันนี้กํลาลังสร้างจรวดกันอยู่เนี่ยมีคนจองตั๋วแล้วจองตั๋วที่จะไปเที่ยวโลกประจัน์กัน แม้จะ อ, อยู่ในโลกนี้เบื่อแล้วพวกมหาเศรษฐีนี่มันไปทุกแห่งทุกคนในโลกนี้ไปจนหมดแล้วที้จะไปก็ต้องไปนอกโลกออะคนที่มันอยากอยากจะหาเงินมันก็มีวิธีล่อมันก็เริ่มขายตั๋วไว้ก่อนนะให้จองตั๋วได้นะถ้าอยากจะไปที่ยวโลกพระจันทร์จองตั๋วได้เขากําลังสร้างจรวดเยอะ พอไปเที่ยวโลกประจันทร์กลับมาก็เท่านั้นเหมือนเดิมแล้วดีไม่ดีก็ไปเสี่ยงตายเอาเการจรวดระเบิดขึ้นมาก็ไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนรกต่อเลยแล้วแต่บุญแล้วแต่บาปถ้าทําบาปไว้ก็ไปเที่ยวนรกต่อถ้าได้ทําบุญไว้ก็ไปเที่ยวสวรรค์ต่อเพราะตอนนั้นกายทิพย์ไม่มีร่างกายกายทิพย์ก็เลยต้องอยู่ อยู่กับบุญก็เป็นเทวดาเป็นสวรรค์อยู่กับบาปก็เป็นนรกเป็ น, นอาบายอันนี่คือตัวเราที่แท้จริงคือใจคือกายทิพย์เราควรที่จะมาหาความสุขจากกายทิพย์ของเราดีกว่าอย่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเลยเพราะเดี๋ยวก็ต้องหมดแล้วเดี๋ยวร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ตายไปเงินทองหามาได้เท่าไหร่ก็เอาไปไม่ได้เก้าวของต่างๆที่มีอยู่ก็เอาไปไม่ได้คนต่างๆที่เรามีรือได้รู้จักกันก็เอาไปไม่ได้ทิ้งหมดแม้แต่ร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่ เราก็มาทำแบบเดิมแต่ถ้าเราหาความสุขภายในใจได้เอาความสุขที่เกิดจากความสงบได้เราก็เลิกใช้ร่างกายได้เลิกใช้เงินทองได้เลิกหาเงินทองได้เลิกยุ่งกับคนนั้นคนนี้ได้ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครอยู่คนเดียวแสนจะสบายยังมหาหัน วิธีหาความสุขในใจเราดีกว่าวิธีมีความสุขในใจเราก็คือให้หยุดคิดนะอย่าคิดใช้อะไรหยุดมันก็ใช้พุโทโธท่องพุโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจแข่งกับความคิดเดี๋ยวถ้าพุโทโธมีกำลังมากกว่าความคิดมันก็จะหายไปไม่ว่าเราจะทำอะไรก็พุโทโธไป เก่นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธไปเลยพุโทโธพุโทโธลุกขึ้นจากเตียงเดินไปห้องน้ำไปอาบน้ำไปทำอะไรก็พุโทโธไปถ้าไปทำงานถึงเวลาต้องใช้ความคิดก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวแต่ถ้ามันจะไปคิดเรื่องความอยากต่างๆก็หยุดมันแต่ถ้าคิดเรื่องงานเรื่องการก็คิดได้เวลาทำงานต้องคิดบัญชีก็คิดไป ต้องต้องสั่งงานสั่งให้คนนั้นทำอย่างนั้นทำอะไรนี้ก็คิดได้แต่อย่าไปคิดว่าวันนี้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนดีอยากจะไปกินอะไรดีไปดื่มอะไรดีของพวกนี้อย่าไปให้มันคิดพุดโทโธพุทโธไว้แล้วมันจะไม่คิดมันจะไม่อยากมันจะไม่หิวมันจะอยู่เฉยๆได้ ถ้าไม่ควบคุมการคิดเดี๋ยวก็อยากจะเดินกาแฟเดี๋ยวอยากจะกินขนมเดี๋ยวยากจะดูหนังสือพิมพ์เดี๋ยวยากจะดูลายเดี๋ยวอยากจะดูเฟซบุ๊กดูอะไรมันก็มันก็อยากไปเรื่อยๆแล้ว ถ, ถ้าเกิดไม่ได้ดูขึ้นมาก็หมดหงิดลำคาญใจขึ้นมามาหยุดความอยากกันหยุดความคิดกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องทำอะไรจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้ ต้องขยันหัดสร้างสติฝึกสติกัน cai. ฝึกสติหยุดความคิดวิธีฝึกสติก็ให้มีพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยหรือถ้าไม่ใช้พุทธโธก็ดูเฝ้าดูร่างกายของเราไปเรื่อยๆร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ขณะนี้ก็ทำไปกับร่างกายร่างกายกำลังเดินก็เดินไปกับร่างกายอย่าเดินไปแล้วปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันเดินไปกับร่างกายแล้วอย่าให้มันไปคิด อยากได้นู่นอยากได้นี่ถ้ามันไม่อยู่กับร่างกายก็ให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วเวลาไม่ต้องทำอะไรก็นั่งหลับตาแทนที่จะไปนั่งดื่มกาแฟนั่งอ่านหนังสือพิมพ์นั่งดูทีวีมานั่งหลับตาดูลมหายใจดีกว่าจะได้ความสุขที่ดีกว่าแล้วถ้าเรานั่งได้ต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องไปดูหนังไม่ต้องไปดูหนังสือพิมพ์ไม่ต้องไป กินไปดื่มอะไรในถ้ามันยังไม่ใช่เวลาที่จะกินจะดื่มเราก็จะได้ไม่ต้องไปเราก็นั่งเฉยเฉยนั่งหลับตาเนี่ยพุโทโธพุโทโธไปก็ได้ดูลมหายใจไปก็ได้อย่าปล่อยให้มันคิดนะถ้ามันไม่คิดแล้วเดี๋ยวมันก็นิ่งความอยากก็หยุดนะพอความอยากหยุดใจก็เบาสบายมีความสุขขึ้นมา นี่แนหะวิธีง่ายๆมีแค่นี้เองวิธีหนาะความสุขที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันวิธีที่ง่ายแต่แก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่มหาศาลพวกเรานี่มีปัญหายิ่งใหญ่มหาศาลก็คือปัญหาของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้กี่ครั้งลแล้วจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆ ตราบใดที่เรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่วิธีที่แก้ปัญหายิ่งใหญ่นี้แก้แบบวิธีง่ายๆพุโทโธคาเดียวพุโทโธพุโทโธหยุดความคิดหยุดความอยากให้ได้พอหยุดได้แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข ไม่ต้องหารูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากการทําใจให้นิ่งให้สงบนถ้าอยากจะทําก็ไปบวชจะได้ทําได้ทั้งวันจะได้ไม่ต้องใช้ความคิดถ้ายังไปทํางานอยู่ยังเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้อยู่เดี๋ยวก็ต้องคิดต้องคุยกันเจอกันก็ต้องคุยกันต้องคิดคิดว่าจะทําอะไรกันดีจะไปหาความสุขที่ไหนดีไปเที่ยวที่ไหนดี ไปกินที่ไหนดีไปดื่มที่ไหนดีมันก็จะคิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ถ้าไปบวชแล้วมันก็ไม่มีเรื่องให้เราคิดเพราะคนที่บวชเขาไม่ไปหาอะไรเขาหาความสงบเพียงอย่างเดียวทุกคนที่มาบวชนี่ก็แยกกันอยู่คนละที่คนละทางกันแต่มารวมกันเ็เฉพาะเวลาต้องมาทำหน้าที่เช่นมากวาด หรือมาหาอาหารกินกันไปบินทบาติอะไรพอทำหน้าที่เสร็จก็แยกกันไปไปควบคุมความคิดไปหยุดความคิดกันไปนั่งเฉยๆทำใจให้สงบแล้วก็มีความสุขนี่คือเรื่องของาศาสนาเรื่องของคนที่มาบวชหน้าที่ของคนมาบวชก็มีแค่นี้มาหยุดความคิด มาทาใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็จะมีความสุขราจะไม่ต้องไปเดือดไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ต้องไปไปรบกวนใครคนที่ใจมีความสงบแล้วไม่ต้องไปรบกวนใครถึงแม้ไปบินธบายก็ไม่รบกวนใครแล้วแต่คนอยากจะใส่บายก็ใส่ไม่ใส่ก็ไม่ไปรบกวนใครไม่ไปขอใครไม่มีก็อดตายเท่านั้นเอง มีก็ตายไม่มีก็ตายเหมือนกันตายช้าตายเร็วแต่ใจที่มีความสุขจะไม่เดือดร้อนกับความตายกับความโอดอยากไม่เดือดร้อนอันนี้คือวิธีหาความสุขที่แท้จริงต้องหาความสุขในตัวเราอย่าไปหาความสุขที่ร่างกายเพราะว่ามันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไป ถาละนะ้วะคิดว่าวันนี้เอาพอหอมปากหอมคอจะอนุโมทนาให้พ อ, อยะถ า, าวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตุทินางเปตานางอุปการปฏิอิทิตังปัติตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรมตุสังกปา จันโทปนนาราโสยธามะนิโชติหราโสยธาสัพพิทิโยวิวาจันโตสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุทาปจายโน จตารโอธมรมวาทานติอายุวะโนสุขังภาลัง อ, อยากจะพูดอะไรอยากจะถามอะไรจะเรียนถามอาจารย์สักคำสองคำนะ ค, ค่ะบอาจารยจะอยู่กับคนเด่้จะควรปฏิบัติตัวยังไงจครับก็อย่าไปยุ่งของเขาสิเขาเดินกันเรื่องของเขาปฏิบัติแบบ เสาเนี่ยเสามันดื้อไหมดื้อใช่ไหมบอกให้มันไปนู่นมานี่มันไปอป่ะไม่ไปใช่ไหมแล้วเราไปไปอยากให้มันไปได้เป่ะมันไม่ไปหรอกมันก็อยู่ตรงนี้มันดื้อไหมล่ะเนี่ยอยู่กับเสาเนี่ยคนดื้อเหมือนเสาเนี่ยไปยุ่งกับเขาทําไมลนะ่มไมะไม่เห็นจําเป็นเลยเราไปอยากเราว่าเป็นจําเป็นเองนะั่นเอง ไม่จำเป็นต้องนี้ก็นั่นเอก็เลื่องของมันสิอ๋อเปล่อยอ้าวเขาบอกันแล้วไม่ใช่ไม่บอกที่ไหนเก็บอกไปสิมีหน้าที่บอกก็บอกมีหน้าที่สอนเขาจะเชื่อไม่เชื่อนเรื่องของเขาอ่อเราไปทำอะไรได้หรอเปล่าใช่ไหมไปบอกให้สาวให้ปยายที่ได้มั้ยคิดว่าจะมีวิธีอย่างอื่นที่จะทำเอาวิธีนี้ดีที่สุดแล้วอ่ภาษาภาษา มันเสามันก็อยู่ที่ของมันดีอยู่แล้วลูกหลานมันก็ดีของมันอยู่แล้วเราอยากไปให้มันเป็นอย่างอื่นเองมันเป็นอย่างนั้น่ะจะให้มันเป็นอย่างอื่นได้ยังไงมันเป็นกล้วยจะนแบบคิดอะไรคิดไม่ถูกมันเป็นกล้วยจะให้มันเป็นสับปะรดอย่างนั้นอ่ะมันเป็นได้ที่ไหนอนะบอกมันได้ให้มันเปลี่ยนได้มันไม่เปลี่ยนเ้าจะไปบังคับมันได้ยังไงเราเหมือน หายสงสัยแล้วหายแล้วค่ะพออยู่ก็พยายามเอ้ยพูดเฉยก็แล้วอะไรก็แล้วก็เวลาพูดิก็เหมือนเดิมแสดงว่าเหมือนว่าเหมือนเสาก็ต้องวางเขาอย่างนั้นเาปูกของเขาแล้วล่ะแต่เราเผิดเองอลไรใหญให้ก็เหมือนที่เราคิดอนั่ะเอาอยากเนอยากเลยชุกตั้งแ่ความอยากเลยจาร์ออสบายใจแล้วนะสบายแล้วก็ค่ะ วันนี้เฟซเข้ามาเท่าไหร่วันนี้เฟซบุ๊กสูงสุดส8มร้อยแปดสิบเอ็ดค่ะย t u b e มีหนึ่งร้อยหกแล้วก็วิทยุมีเก้าอินสตาแกรมมี5าค่ะแล้วก็ลายมี5้าพันสี่ร้ยเจ็ดสิบเอดค่ะอ๋อไม่รู้ผู้ที่ติดตามในประเทศจะไม่ไม่รู้ไม่กี่จังหวัดนะไม่ได้เคยสอบถามรู้แต่ตามประเทศใช่ไหมตามประเทศเกือบสามสิบประเทศรลย ตอนนี้ลองขอสอบถาม จ, จังหวัดด้วยในประเทศไทยมากี่จังหวัดกั น, นเวลาใครสาธุเข้ามาช่วยบอกเรว่อจากที่ไหนนะจากกรทมจากอะไรที่ไหนจะสำรวจหน่อยจะทำสถิติหน่อยจะได้รู้ว่าโอ้อยู่ตรงนี้เฉยๆยังสามารถรู้จักคนได้ทั่วโลกทั่วทั่วประเทศไม่ต้องไปไหนให้เหนื่อย เขไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาฟังพระอาจารย์อย่างนี้ค่ะไ่ได้แต่ฟังเท่าไรถ่ายท่าสดเลยเลยดูย้อนหลังก็ได้ออืคนต่างประเทศนี่เขาหายเหงากันเยอะเลยเมื่อก่อนเขารู้สึกว่าเวขาดที่พึ่งเอย่างนี้เขาเหมือนกันได้มาวัดทุกวันเลยที่สดๆอย่างนี้คอะแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็สามารถถามได้ด้วยใช่ หนูคยส่งข้อความเข้ามาไหมหนูไม่เคยส่งเคยส่งแต่กราบนมาสการกราบนมาสการอย่างเดียวมไม่มีคำถามพวกที่ส่งคําบอกกราบน้ำมาสการช่วยบอกด้วยว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะให้พวกนี้เข้าไปจดดูว่ามามีกี่จังหวัดนะเพราะวันหนึ่งมีคนส่งเข้ามาประมาณสามร้อยกว่าข้อความใช่มสามสี่ร้อยข้อความมีแต่น้มาสการสาธุกันอย่างเดียวจะไม่มีคำถาม อ่าไม่มีมีน้อยมีประมาณไม่กี่คำถามวันนี้ขอขอขอทําสํารวจหน่อยว่ามาจากที่ไหนบ้างมาจากกาอทำปากเกร็ดที่ไหนก็ได้เอาเป็นจังหวัดดีป่นะนี่ยอย่าเป็นอําเภอว่าบางทีไม่รู้ว่าอําเภอนี้อยู่จังหวัดไหนอพรบางทีการที่พระอาจารย์เทศไปเนี้ยค่ะมันมันเป็นคําตอบที่แบบ ไม่ต้องถามก็ได้คือเหมือนชัดเลยรู้ใจว่ารู้ว่าได้อยากฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอบจดแล้วดีอย่างคุณป้าฟังเสร็จไปเลยถามถามเสร็จปรับไปได้มีส่งข้อความเข้ามาไหมมีจักรยาชนบุรีปทุมธานี กรุงเทพเพชรบูรณ์นครธนมสบุรีแล้วก็มีอังกฤษค่ะอแล้วต้องมีลาลาทิวาสุพรรณบุรีเชียงรายญี่ปุ่นเชียงใหม่สุรินทร์กาญจนบุรีอุตรดิษนนนทบุรีอ๋อช่วยแล้วก็นครสวรรค์ค่ะเดียวเลยภูเก็ตพะเยาศระเชียงดาว ระยองจ้า <c oughs> ออโสธรตองตอมอะไอาจารย์ท <c oughs> ่านไ้ครบครบทั่วประเทศนะเพราะว่าหนึ่งคนส่งข้อคาวามก็มาสามสี่ร้อยข้อคาวามก็ต้องมีเกือบทุกจังหวัดดีลองโจทย์ไว้นะดูว่าได้ครบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดหรือเปล่าเหนว้มีกี่จังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมทํจทําสถิติไว้เท่านั้นไม่ได้มีอะไรหรอกไม่ได้ไปขาย <c oughs> จะได้รู้ว่าเรามีญาติธรรมอยู่กันถึงแม้จะอยู่ห่างที่กันก็ตามแต่เหมือนกับว่าได้มาอยู่ที่เดียวกันทลกววันก็มาเจอกันที่นี่ไม่ต้องเดินทางมาก็ได้คนที่ส่งคำถามเข้ามาก็บอกด้วยนะมาจากที่ไหนแล้ว เ, เดี๋ยวอ่านบอกออกอาอกาศไปด้วยจะได้รู้เพราะว่าของหนูก็จะกดติดดาวไว้เลยแปลว่าเวลาที่ พอสดก็สูงขึ้นเลยขึ้นเลยนะสะดกดติดตามไว้เลยอ่ะเดีมีคำถามเข้ามาไหมคำถามจากคุณสุภกิจค่ะจากที่ไหนจากที่ไหนอันนี้คือยังไม่ได้บอกอ่ายังไม่เป็นไรอะผมปฏิบัติทรมาสองปีเต็มไม่เคยขาดรู้สึกมีความสงบเย็นใจมากแต่ก็ไม่ได้สงบทุกวัน แต่รู้สึกว่ามีความทรมานใจอย่างมากต่อการมราคะและปัตติคะโดยเฉพาะการมราคะเมื่อเกิดขึ้นมาแทบจะร้องไห้ไม่เ ไ, ไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนอยากเรียนถามว่าผมควรจะทําอย่างไรครับต้องหาพิจารณาอาการ32 อ, อันฤอนสออุภะเดียวไปเปิดหนังสือ Google เปิด Google ดูอณามตอมก็ได้ดูซากศพก็ได้แล้วก็ พยายามจดจําภาพเหล่านั้นไว้เวลานึกถึงภาพสวยๆนึกถึงคนสวยๆงามๆามก็ให้นึกถึงอวัยวะต่างๆของเขาดูเนี่ยอยู่ที่หน้าอกเขาอยู่ที่หน้าตาเขาเนี่ยภายใต้หน้าตาของเขาเนี่ก็มีกระโหลกศีรษะที่หน้าอกก็มีปอดมีหัวใจมีตับมีลำไส้มีอะไรต่างๆ อัดพยามองให้ทะลุเข้าไปข้างในให้ได้ตอนต้นมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อก็อาศัยภาพเนี่ยไปดูหนังสืออสุภาษต่างๆดูหนังสือที่เข า, เาทำอวัยวะชันสูตรศพก็ได้หรือนังสือที่ภาพที่เขาสอนนักศึกษาแพทย์ให้เห็นอวัยวะภายในร่างกายต่างๆแล้วก็อามาจดทำประจำมานึกอยู่เรื่อยๆ แล้วพอเวลาเกิดกา ร, รมาลงขึ้นมาก็ให้นึกถึงภาพเหล่านี้ให้ได้ถ้านึกได้แล้วมันก็จะทําให้กา ร, รมาลงมันเบาบางไปได้คําถามก็คุณสารานจิตค่ะเวลามีทุกข์หรือมีเรื่องเครียดมากอยากนึกถึงคําสอนของพระแต่ใจที่ทุกข์มากทําให้ไม่สามารถคิดได้ แก้ไขอย่างไรได้คะตอนต้นคิดไม่ได้ก็หยุดหยุดความคิดที่ไม่ดีก่อนหยุดความทุกข์ก่อนให้พุทโธพุทโธไปท่องพุทโธพุทโธคําเดียวมันน่าจะง่ายนะน่าจะทําได้นะแต่มันทำไมทำไม่ได้คิดอะไรได้ร้อยแปดคิดไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่คิดได้หมดคิดไปป้นธนาคารคิดไปแย่งผัวแย่เมียคนอื่นคิดได้พอให้คิดคําว่าพุทโธคำเดียวคิดไม่ออกงั้น ดันั้นตอนที่คิดออกตอนนี้หัดคิดไปก่อนถึงสอนว่าให้หัดพุดโทโธไปเรื่อยๆก่อนมันเหมือนกับการหัดออกกําลังกายถ้าเราไม่เคยวิ่ง เ, เราจะวิ่งไม่ได้แต่ถ้าเราหัดวิ่งไปเรื่อยๆต่อไปถึงเวลาที่เราจะต้องวิ่งหนีตํารวจวิ่งไปตามจับใครเราก็จะวิ่งได้ <redes sociales> ถ้าเราไม่เคยวิ่งเราก็จะวิ่งไม่ได้ทันใดถ้าเราไม่เคยพุโทโธพอถึงเวลาจะพุโทโธก็พุโทโธไม่ได้ เห็นตอนนี้มหัสพุทธโธกันเถอะอย่าไปคิดว่าจะพุทธโธได้ง่ายๆนะพอเวลาโกรธขึ้นมาเวลาโลภขึ้นมานี่พุทธโธไม่ออกเลยไม่อยู่เห็นต้องมาหัด ส, สร้างพุทธโธขึ้นมาฝึกหัดท่องพุทธโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆให้มันเป็นฤทธิ์สายขึ้นมาคาถามข้อที่สองค่ะโบราณว่านอนฟังธรรมเป็นบาตร จิงหรือไมค่ครัะเพราะบางครั้งกลับจากทํางานแล้วเห น, นื่อยง่วงมากเลยจะปยบูฟังและนี่งหลับไปค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ฟังไลยมันไม่บาปหลับเพียงแต่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์ฟังแล้วมันอ่ามันหลับแล้วยิ่งถ้าไปฟังต่อหน้าพระนี่มันไม่สวยงามมันไม่เคารบใช่ไหมถ้ามานั่งที่มานอนฟังตรงนี้เราไม่พูดหรอกมึงอยากสบายนะคุณไม่ฟัง <c oughs> มันมันไม่ถูกกาละเทศะการฟังธรรมนี้ต้องอยู่ในท่านั่งนั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบแล้วแต่กาละเทศะถ้ามีพระอยู่แล้วก็นั่งพับเพียบถ้าเรานั่งฟังธรรมคนเดียวเราอยากจะนั่งขัดสมาธิฟังไปก็ได้ถ้าเราอยู่ถ้าเราเปิดยู u ู e ดู facebook ดูนี่เราจะนั่งขัดสมาธิก็ไม่มีใครเห็นนรกคือโดยธรรมเนียมของชาวพุทธเหล่านี้ เราถือว่าท่านั่งนั่งพระเพียบนี้เป็นท่านั่งที่สวยงามและเป็นหน้าเทียท่านั่งที่เรียบร้อยและมีความเคารพแต่ถ้าเราธรรมดาถ้าพระหรือใครมานั่งรวมกันนี้จะไม่มีใครนั่งขัดสมาธิจะนั่งพระเทียบกันเวลาพระประชุมกันนี้เวลานั่งจะนั่งพระเพียบกัน เวลาถ้าเรามาประชุมกันอยู่ร่วมกันนี่เราควรจะนั่งในท่าพระเพียบแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราจะนั่งในค่าขัดสมาธิก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรหรือถ้าเราอยู่ในช่วงที่กินข้าวนี่เขาก็นั่งขัดสมาธิกันเวลาที่ญาติโยมกินข้าวบุญสาลานี่ก็นั่งขัดสมาธิกันได้เวลาพระฉันท่านก็นั่งขัดสมาธิฉันกัน แต่ต้องทําพร้อมกันเมื่อกี้ตอบไม่ยังคำถามอเออคาถามต่อไปค่ะลูกชายอายุเจ็ดขวบจะมีธรรมะแบบใดที่เขารับได้และสมวัยเขาคะเราก็สอนให้เขาเออก็สอนให้เขดตามแต่ที่เขาจะรับได้เขารับอะไรได้ก็สอนเขาไป ถ้าเขาถ้าเขาทําจะฆ่าสัตว์ก็สอนให้เขาอย่าฆ่าสัตว์ถ้าเขาโกหกก็สอนเขาอย่าโกหกถ้าเขาจะขโมยของก็สอนเขาอย่าขโมยของก็ดูว่าเขากําลังทําอะไรอที่ไม่ถูกก็กวรจะห้ามเขาถ้าเขาไม่มีความเมตตาก็สอนให้เขามีความเมตตาสอนให้เขาหัดใส่บาตรสอนให้เขาแบ่งปัน มีขนมมีอะไรก็ให้เข า, เาไปแจกคนที่ยากจนบ้างเด็กที่ยากจนกับเขาสอนให้เขาทําทานสอนให้เขามีศีลคำ ถ, ถามจากคุณพิจิการไม่ว่าจะนั่งสมาธิก็ดีสวดมนต์ก็ดีมักจะหลับไปโดยไม่รู้ตัวแต่ปากยังสวดมนต์แล้วค่อยมาสะดุ้งขึ้นพอลุกจากสวดมนต์หรือนั่งสมาธิ กับไม่นว่วงอะไรเลยอย่างนี้ท้านพอมีวิธีแก้ไขอย่างไรให้ได้บ้างครับก็ต้องไปสวนในปา่านชะ้าเนี่ยมันจะได้ไม่ง่วงเขาเขียนคำถามม า, ขาเขาบอกว่ามาจากที่ไหนไม่ได้บอกนะ้ยังน่าก็ยังไม่ได้บอกนะถ้ามีบอกก็อ่านมาด้วยนะขัอถามจากคุณบุ๋หญิง พ่อตายไปสองปีแล้วค่ะพ่อเป็นตำรวจหน้าตาดีแต่ก่อนเสียชีวิตพ่อป่วยและเสียสติว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าชอบว่าคูบาอาจารย์และบอกว่าไม่ให้ไหว้พระแต่ไม่ให้ใส่บาตรหาว่าเป็นพวกของพระเทวทัศ์แต่ก่อนยังไม่ป่วยพ่อหนูยังฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมพาไปทําบุญตั้งแต่หนูยังเป็นเด็กพ่อก็อพาเข้าไปวัดอยากถามว่าพ่อหนูจะตกนรกไหมคะพ่อหนูได้บุญกุศลที่ท่านทําไว้ก่อนหน้า ก่อนหน้าที่จะเสียเสียสติหรือป่วยมีไหมคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่ว่าอันไหนมันมีกําลังมากกว่ากันบุญหรือบาปถ้าบาปมีกําลังมากกว่ามันก็เดึงไปอบายถ้าบุญที่ทำไว้ยังมีมากกว่าบาปก็ยังดึงไปสวรรค์ได้คําถามจากคุณพักคภาดค่ะผมมีทุกเขเวทนามากตอนนอน เกิดทุกคืนปวดจนต้องตื่นทําให้การปฏิบัติได้ยากครับกาบเรียนพระอาจารย์ชีเนตด้วยครับก็ไปรักษาเสิถ้ามันเป็นโรคภัยไข้เจ็บ mm hmm. ก็ให้หมอเขารักษาว่าปวดร่างกาย mm hmm. เกิดจากสาเหตุอะไรถ้ารักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ก็ต้องปล่อยวางอ ย, าอย่าไปสนใจกับมันมันจะปวดก็ปล่อยมันปวดไป ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายปวดเราจะไม่ทรมานใจเราจะไม่เดือดร้อนที่เราเดือดร้อนกันเพราะว่าเราไปอยากให้มันหายแล้วมันไม่หายในเวลามันปวดแล้วถ้าเราทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันปวดไปเราก็พุทโธพุทโธของเราไปแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนแล้วเราก็จะปฏิบัติได้จะดีซะอีกว่าเราจะได้ก้าวหน้าการที่เราจะก้าวหน้านี่มันจะต้องมีข้อสอบโหด เหมนเวลาเราขี่จักยานธรรมดากับขี่วิบากเนี่ยคนที่ขี่วิบากนี่มันจะต้องใช้พลังมากกว่ามันก็จะทําให้มีกําลังมากถ้าไปขี่แบบสบายๆมันก็ไม่มีกําลังมากการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติแบบง่ายๆสบายๆมันจะไม่ต้องใช้พลังมากพลังธรรมจะไม่ได้เกิดมากแต่ถ้าเวลาต้องเจอเรื่องหดโหดๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดพลังขึ้นมา เพื่อที่จะได้สู้กับความทรมานใจสู้กับกิเลสได้งั้นก็ก็ดูว่ามันเป็นอะไร ถ, ถ, ถ้าร่างกายไม่สบายก็ไปหาหมอถ้าหมอรักษาได้ก็กดีถ้าไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปทําใจอดอยู่กับมันไปให้ได้แล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของทางร่างกาย คำถามจากคุณเมี่ยงค่ะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เวลามีพระพิสุทส่งอาพาธมารับการรักษาแล้วไม่สามารถหาบุคลากรที่เป็นเพศชายมาทำแทนได้จะทำอย่างไรดีคะขออนุญาตท่านก่อนทำการตรวจเพียงพอใหมคะจะบาปไหมคะก็ถามท่านว่าจะเอาไงดีเพราะท่านเป็นคนมาหาเราเองเราก็บอกว่าเราไม่มีผู้ชายถ้าท่านบอกว่า แล้วแต่โยมโยมก็ทาไปโยมไม่เสียหายหรอกโยมไม่บาปโยมก็ทำหน้าที่ของโยมทำบุญเพราะว่าเป็นการดูแลรักษาร่างกายส่วนพระนี่ท่านก็อาจจะผิดพระวินยัยเพราะว่าพระวินัยไม่ให้การแตะเนื้อต้องตัวกันแต่พระบางรูปท่านก็บอกว่าอ่ะมันเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องสุดวิสัยอันนี้ก็แล้วแต่ บางรูปท่านเข้งท่านบอกถ้าไม่ถ้าไม่มีผู้ชายก็กลับวัดดีกว่าไปรักษาแบบโบราณไม่ต้องมีโรงพยาบาลสมัยก่อนก็ไม่มีโรงพยาบาลรับ เ, เขาก็รักษากันไปตามอัตภาพอันนี้ก็แล้วแต่พระแต่ละรูปว่าท่านจะมีความเข้มคัดกับพระธรรมวินัยของท่านมากน้อยเพียงไรคำ ถ, ถามจากคุณกูชิต จ, จากแหล่ชฉบังค่ะ จังหวัดด้วยกันนะจังหวัดชุมชนบุรีตรงทางเข้าวัดมีขายปลาสําหรับนําไปปล่อยพอปล่อยเสร็จพ่อค้าแม่ค้าก็ลงไปดักจับปลาขึ้นมาขายต่ออีกแบบนี้คนขายบาปไหมครับและคนปล่อยจะได้บุญไหมครับคนปล่อยได้บุญแต่คนขายบาปเพราะว่าไปจับเข้ามาดักขังก็เป็นเหมือนกับการทําบาปแต่ไม่หนักเหมือนกับการไปฆ่าเขาแต่ก็ยังบาปอยู่เพราะว่า ไม่มีใครอยากจะถูกกักขังใช่ไหมไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเบีดเบียนผู้อื่นคำถามจากคุณจินกรุงเทพค่ะจิตไม่คิดไม่ฟุ้งซ่านจิตไม่ดูกายแบบนี้เรียกว่าอะไรเจ้าคะก็ก็อย่างที่พูดเนี่ยจะให้ม่นเรียกว่าง่ะไม่ฟุ้งซ่านก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดก็ไม่คิดไม่ดูกายก็ไม่ดูกาย เราไปดูอะไรนะไม่บอกเลงคาถามจากเชียงใหม่นะคะการที่เราจะถวายพระพุทธรูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่เสียชีวิตแล้วจะมีอนิสงส์อย่างไรบ้างคะทั้งผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ถวายทานก็การถวายพระพุทธรูปก็เป็นการทำบุญทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาพอเรามีความสุขใจเราก็แบ่งความสุขใจนี้ให้กับ ใจที่ไม่มีความสุขได้เหมือนกับเดี๋ยวนี้เราสามารถโอนเงินคาาใช้มือถือให้กับอีกเครื่องหนึ่งได้ใช่ไหมถ้าอีกคนหนึ่งเขาไม่มีเงินซื้อเติมมือถือเรามีอยู่ในเครื่องเราแล้วก็โอนไปให้เขาได้อันนี้ก็เหมือนกันความสุขในใจเรานี้เราก็แบ่งให้กับคนที่ไม่มีได้แต่ต้องเป็นคนตายคนที่เป็นคนเป็นนี่เขาหาเองได้เขาเติมเขาเติมบุญของเขาเองได้ แล้วเขาจะได้มากกว่าบุญที่เราแบ่งให้เขาเพราะบุญที่เราแบ่งให้เขานี้เป็นส่วนย่อยนิดหน่อยพอพอให้ประทังชีพไปได้วันๆหนึ่งทำนองนั้นเท่านี้พี่บอยจดโน้ตมาให้ค่ะตอนนี้มี29จังหวัดค่ะ29จังหวัดแล้วนะทำเสิ็จทิิีไปเรื่อยๆดูจะจะครบ77นะ แข่งกับตูนด้วยก็ต <laughs> ้องถามไหมครับรไม่ไม่ต้องเหร อ, อมันก็ขอให้เรารู้ไว้ก็แล้วเดี๋ยวเวลาใครเข้ามาใหม่จะได้ไม่ไม่ซ้ำกันเราคำถามจากกรุงเทพนะคะจิเลศเกิดขึ้นที่ไหนในขันห้าคะเข้าใจว่ารูปคือกายวิญ ญ, ญาณไปรับรู้กายสัญญาจำได้หมายรู้แล้วสังขารก็คิดปรุงแต่ง คิดแล้วเป็นสุขทุกข์คือเวทนาหนูคิดว่ากิเลสเกิดตั้งแต่สัญญาถูกหรือผิดคะไม่ถูกละสัญญาเวทนาสัญญาสังขารไม่ได้มีกิเลสไม่ได้เป็นกิเลสเป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสอยู่ในใจกิเลสมีความโลภมันก็สั่งให้ความคิดคิดไปในทางความโลภกิเลสมีความอยากมันก็สั่งให้สัญญาไปนึกถึงสิ่งที่อยากได้ยังั้น ขันเนี่ยคือเวทนาสัญญาสังขารมิญญานี้มันไม่มีมันไม่ได้เป็นกิเลสหรือเป็นอะไรมันเป็นเครื่องมือเมันรถยนต์เนี่ยรถยนต์นี่มันจะเป็นเครื่องมือของตํารวจก็ได้เป็นเครื่องมือของโจรก็ได้มันก็เป็นรถยี่ห้อเดียวกันเนี่ยไปซื้อมาจากร้านขายอันเดียวกันแต่คนขับนี่มันเป็นคนละคนกันตํารวจก็เอาไปใช้จับขโมยขโมยก็ไปใช้ขโมยข้าวขโมยของ อันนี้ก็เหมือนกันใจของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนคนขับเป็นตำรวจท่านก็เอาขันนี้มาทาประโยชน์เนี่ยมาสั่งสอนธรรมะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนีท่านก็ต้องใช้ขันใช้สัญญาสังขารวิญญาณนี้ต้องคิดออกมาก่อนคิดแล้วถึงจะพูดออกมาได้ท่านก็ใช้ใช้ขันใช้ขันห้านี่ร่างกายด้วยร่างกายก็ต้องใช้พูดเอามาพูดต้องคิดก่อนแล้วก็พูด ความคิดก็สั ง, สงขารสัญญาแล้วก็สั่งมาทางร่างกายแต่ท่านสั่งให้ไปทางธรรมพูดแต่เรื่องธรรมสอนแต่เรื่องให้คนทำความดีแต่ถ้าคนมีกิเลสคนเป็นขโมยก็มันก็จะคิดว่าวันนี้จะประคองไรบขโมยของที่ไหนดีแล้วมันก็ใช้ขันนี้ใช้ร่างกายนีย้พาไปขโมยข้าวขโมยของ เนื่อขันนี้ไม่มีไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมขันเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเหมือนรถยนต์ผู้ที่มีกิเลสก็คือใจหรือมีธรรมก็คือใจข้อ ถ, ถามจากคุณเขนจิลาจังหวัดระยองค่ะการเจอเหตุการณ์เดิมๆอยู่กับเหตุการณ์เดิมๆ เ, เพียงแต่เปลี่ยนคนโดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดจากกรรมอะไรเจ้าคะมันก็ เป็นปกติเนะี่ยคนเราเมื่อเกิดมาแล้วเราก็ต้องอยู่กับคนไปก่อนเพราะเราต้องมาอาศัยคนเกิดไม่ใช่เหรอเห็นไหมเกิดมาก็ต้องมีคนมีพ่อมีแม่มีท้องพอ เ, เกิดมาแล้วในครอบครัวก็มีพี่มีน้องมีญาติโยมอะไรตา่างๆที่เราก็ต้องอยู่กับเขาไปนะก็เป็นเรื่องของการที่มาเกิดถ้าไม่อยากจะมาเจอของพวกนี้ก็อย่ามาเกิดกรรมก็คือความอยากมาเกิด ามอยากหาอยากใช้ร่างกายไปไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เลยทําให้เรามาเกิดแล้วก็ต้องมาเจอกับสิ่งต่างๆคนต่างๆทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งที่เราชอบและไม่ชอบถ้าเราไม่อยากจะมาเจอสิ่งเหล่านี้ก็เราหยุดความอยากเสียหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายหาความสุขมาหาความสุขแบบนั่งสมาธิทำใจให้สงบต่อไปเราก็ไปอยู่ในป่าคนเดียวได้ เห็นไหมพระพุทธเจ้าไปนั่งอยู่ใต้คนต้นโพคนเดียวนะกับมีความสุขมีกามามีครอบครัวอยู่ในวงนังอีก น, นี่คือเรื่องของกรรมของเราก็คือความอยากตัวต้นเหตุของกรรมทั้งปวงก็คือความอยากของเรานี่เองที่ทำให้เราต้องไปทำกรรมต่างๆคำถามจากคุณเพนจันร์จังหวัดกรุงเทพค่ะจิตมีอารมณ์เดียวหมายถึงอย่างไรเจ้าคะเวลาจิตสงบเนี่ย จิตสงบมันไม่คิดอะไรมันก็เหลือแต่อารมณ์เดียวคือผู้รู้รู้เฉยๆเวลาถ้ามันคิดมันก็มีหลายอารมณ์โลภ บ, บ้างโกรธบ้างหลงบ้างเกลียดบ้างกลัวบ้างอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาจากการคิดปรุงแต่งพอหยุดคิดปรุงแต่งจิตก็เหลือแต่รู้อย่างเดียวสักแต่ว่ารู้คำถามจากคุณไอเบอร์ลี่จากกรุงเทพค่ะ ทำไมอภิญยาถึงไม่มีอุเบกขาอยู่ในนั้นเป็นเพราะจิตส่งออกนอกกายหรือเปล่าคะจิตส่งออกนอกใจมันไม่ได้อนอกกายละเวลาจิตมีเพรอภิญญานีิจิตมันต้องใช้ใ ช, ใช้ใช้ทํางานมันไม่นิ่งไงพอจิตทํางานมันก็จะไม่มีอุเบกขา <c oughs> แล้วกิเลสมันยังทํางานไ ด, าาด้ความโลภความโกรธความหลงนี่ยังมีอยู่ในใจแต่ถ้าเป็นผู้ที่กําจัดโลภโกรธหลงหมดแล้ว ถ้าจิตมีอภิญญาก็จิตก็จะไม่มีกิเลสนจิตก็จะจะเป็นเหมือนกับจิตที่มีอปปนาแต่ถ้ายังไม่มียังกาจัดกิเลสไม่ได้ถ้าจิตไปทางอภิญญามันจะเกิดกิเลสขึ้นมาทันทีคําถามจากคุณจงแจงครับ ถ้าเรายังไม่ได้ภาวนามยะปัญญาต้องใช้การฟังธรรมและคิดถึงเรื่องใตรักบ่อยๆจะช่วยให้เราอยู่ในเส้นทางนี้ตลอดรอดฝั่งไหมคะก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าถ้าเราสามารถคิดอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆก็จะอยู่ได้แต่กวจะเผลอสิเดี๋ยวไปเจออะไรสวยๆงามๆเจออะไรที่เราชอบเดี๋ยวก็หลงไปลืมว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แต่ถ้าเรา คิดว่าเราสามารถที่จะดึงใจให้คิดถึงอนิจจังทุกข์งหน้าตาได้ถึงแม้ว่าเรายังจะหยุดความอยากไม่ได้มันก็มันก็เหมือนกับสู้กันเน่ะเหมือนกับชักกระเยาะกันถ้าแรงเรามากกว่าเขาเขาก็ดึงเราไปไม่ได้แต่ถ้าเขาแรงมากกว่าเราเขาก็จะดึงเราไปได้แต่ถ้าเราได้อัปปนาสมาธิแล้วเขาจะดึงเราไปไม่ได้เพราะเราจะมีกาลังมากกว่า คำถามจากคุณกันประพัฒเคยได้ร่วม ง, งานกับกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งแล้วพบว่าเป็นทุกข์และไม่สบายใจก็เลยถอนตัวออกมาไม่พบปะไม่เจราจาการกระทําเช่นนี้ถือว่าเป็นการปิดสุขหนีทุกข์หนีปัญหาหรือเปล่าคะ ก, ก็แล้วแต่เหตุผลว่าเราหนีออกมาเพราะอะไรเพราะเห็นว่าถ้าอยู่ไปแล้วมันมันมันเร็วกว่าดีก็ออกมาดีกว่าถ้า ได้น้อยกว่าเสียก็อยู่ไปทำไมเหมือนเล่นการพนันอ่ะถ้าเล่นแล้วเสียไปเล่นทำไมก็หยุดเล่นจะไม่ดีกว่าเหรออันนี้เราเรียกว่าเหตุผลไม่ได้เป็นการหนีอะไรเราทำอะไรเราก็ต้องเล็งถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นผลดีหรือผลเสียถ้าทาแล้วผลดีมากกว่าผลเสียก็อยู่ต่อไปทำต่อไปถ้าทาแล้วผลเสียมากกว่าผลดีทำไปทำไมอยู่เฉยๆไม่ดีกว่าเลย ใช่ไหมนี่ก็คือถ้าเราใช้เหตุผลแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นการหนีอะไรคำถามจากคุณคูณกิจเมือ่อเมื่อเรานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกและเวลาเดินจงกรมดู่าการก้าวและกำกับคำว่าพุทโธโดยไม่ได้ดูลมอย่างนี้ถือว่าโลเลไหมครับแล้วควรทำอย่างไรดีครับอ๋อไม่โลเลเหรอกเพราะว่าแต่ละท่าต้องใช้ใช้วิธีไม่เหมือนกัน เพราะว่าเวลาเดินนี่ลมมันละเอียดดูไม่ดูดูยากกว่าดูดูยากกว่าตอนที่เรานั่งแล้วตอนที่เรานั่งเราก็ไม่มีอะไรให้ดูนอกจากลมเพราะร่างกายมันไม่ได้เคลื่อน ไ, วไหวเวลาถ้าร่างกายเคลื่อนไหวเราก็ดูล่างกายมันง่ายกว่ามันชัดกว่าแต่เวลาเราไม่ได้เคลื่อนไหวเราก็ดูลมคาถามเจ้าคุณเบญจวรรณค่ะจากที่ไหนไม่ได้บอก ไ, อไม่ได้บอกก็ไม่เป็นไร ภาวนาวัดป่ามาตลอดอาศัยศรัทธาและการเป็นอยู่ที่ต้องอดทนตรงนี้ท่านต้องการให้เราฝึกมรรคใช่ไหมครับการภาวนาก็เป็นการสร้างมรรคเนี่ยเห็นทุกทิทุกวิทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะเน้นไปที่การสร้างมรรคคือสร้างความเพียรสร้างความอดทนที่จะเป็นกําลังที่จะผลกให้เราได้มีพลังที่จะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาได้ ใครส่งข้อความมาก็ช่วยเขียนที่ที่ที่มาด้วยนาจังหวัดไหนกาลังทำสติติอยู่การเดินมัคปัญญาจะเกิดหลังจากความเห็นเราเปลี่ยนไปหรือคะก็ความเห็นเราจะเปลี่ยนไปถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราเคยชอบมันไม่ดีบางทีเราไม่รู้เราคิดว่ามันดีแต่พอคนมาบอกว่าเนี่ย ทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะอะไรจะเกิดขึ้นมาก็เราก็จะเปลี่ยนความเห็นไปเช่นคนที่บางคนกินเหล้านี่คิดว่าดีอย่างเงี้ยเพราะไม่เคยคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาต่อไปพอมีหมอหรือมีใครเข้ามาเล่าบอกว่ากินเหล้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวปอดเดี๋ยวเดี๋ยวไตอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเขาเรียกอะตับตับแข็งนะเป็นโรคตับแข็งเป็นอะไรเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาพอรู้ว่าอ๋อดื่มสุรา มากๆแล้วจะเกิดโทษก็เปลี่ยนความเห็นได้ตอนนั้นเห็นว่าเออกินแล้วสนุกบางคนไปอ่านข้อความที่ไม่ถูกว่าดื่มชูราแล้วอายุจะยืนยาวนานก็มีไปคิดอย่างนั้นก็เลยไปเชื่อบางทีเขาเป็นการเขียนมาโดยไม่มีอะไรรับรองบอกว่าไปพิสูจน์ไปสํารวจไปไปทดลองแล้วไปทําวิจัยแล้วเห็นว่าคนกินเหล้านี้อายุยืนกับคนไม่กินเหล้าอย่างนี้ บางทีมันไม่ได้มีเป็นเป็นข้อมูลที่ตรงแต่อ่านแล้วพวกที่ชอบกินเหล้าก็ hey, เฮ่อดีว่ากินเหล้าแล้วยุยืนกับคนไม่กินเหล้าแต่พวกที่เขาพิสูจน์จริงๆพวกหมอที่เขาเจอโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่เขาบอกว่าไม่จริงหรอกฉนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าเราได้ข้อมูลอะไรมาถ้าเราได้ข้อมูลอย่างหนึง่งเราก็จะมีความเห็นอย่างหนึง่งแล้วต่อมาเราได้ข้อมูลอีกอย่างหนึง่งเราก็จะได้มีความเห็นอีกอย่างหนึง่ง เหมือนที่พวกเราเนี่ยมีความเห็นว่าการมีเงินทองมีความสุขทางร่างกายนี้เป็นเป็นวิธีหาความสุขแต่พอเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วกลับไปกลับไปได้ยินว่ามันเป็นวิธีหาความทุกข์มากกว่าเพราะเรามองไม่เห็นความทุกข์เราไม่คิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาเราคิดแต่ความสุขที่เราจะได้รับจากการใช้เงินใช้ทองแต่เราไม่คิดถึงเวลาที่ไม่มีเงินทองจะใช้แล้วจะเป็นยังไง คำถามจากคุณนภนจากกรุงเทพคะ่ะเวลาที่ปฏิบัติธรรมเขามาขอส่วนบุญไปห้ามแผ่เมตตาได้ด้วยหรือครับเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเขามาเสร็บุญที่เกิดจากการปฏิบัติไม่รู้ไม่เข้าใจเขาว่าเขาเป็นใคร <ơ> ก็เราไม่รู้แล้วแผ่บุญเรื่อะไรเขามาขอให้แผ่บุญแล้วก็ไม่แผ่บุญอะไรกันไม่ฟังไม่เข้าใจน้องอ่านไหม่ดิ เวลาที่ปฏิบัติธรรมเขามาขอส่วนบุญไปห้ามแผ่เมตตาได้ด้วยหรือครับเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเขามาเสรบุญที่เกิดจากการปฏิบัติไม่รู้คำถามฟังไม่ออกเขาคื<อ>น่านะจะเป็นประมาณวิญญาณแล้วแล้วเขามาขอบุญไปห้ามอะไรไม่รู้พูด<อ>ไม่รู้รเลยก็คือเหมือนแบบน่าจะมีวิญ ญ, ญาณมาขอส่วนบุญแล้วทีนี้น่าจะมีคนไปเหมือนแล้ว่าห้ามแผ่เมตตา คนบอกว่าอาจจะแบบมีวิญญาณเข้ามาขอบุญเขาหรืวอว่าอาจจะมีคนมาทักว่าอย่าแผ่เมตตาไปให้เขาอทาไมไปไม่แผ่ลเมตตานี้พระพุทธเจ้าสอนให้แผ่สัพเพสัตตาอยู่แล้วแผ่ได้หมดสัตสัตทุกชนิดอวิญญาณนี่ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเทวดาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเปรตผีสัตว์นรกนี่ก็เป็นสัตว์ทั้งนั้นแผ่ได้หมดก า, ารเมตตานี้แผ่ได้ทุกให้กับทุกคนได้หมด สัเพศัตตาแล้วอย่างเวลาที่เราทําบุญแล้วค่ะอาจารย์เราควรแผ่ให้ตัวเองก่อนให้เทวดาหรือให้เจ้ากรรมนายเวรอ๋อมันคนละเรื่องกันที่เราพูดถึงนี้ถ้าทําบุญนี้เราไม่ได้แผ่เมตตาเราอุทิศบุญอ่าอุทิศบุญนี้เราไม่ต้องอุทิศให้ตัวเราเพราะเรามีบุญแล้วไงละเราได้บุญแล้วเราเราแบ่งบุญให้คนอื่นไปได้ แต่ถ้าเราไม่ได้ทําบุญนี่เราจะอุทิศบุญไม่ได้เพราะเราไม่มีบุญจะให้ใครเราต้องทําบุญก่อนต้องหาไม่ต้องก็เราหามาแล้วเราได้บุญแล้วไงว่าเราทําบุญก่อนพอเราทําบุญเราก็ได้บุญแล้วที่เราสงสารเห็นคนอื่นที่ก็ไม่ดวงวิญญาณที่ไม่มีบุญก็ไปหาเอกไม่ได้เราก็แบ่งบุญที่เรามีอยู่นี้ให้เขาได้แต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่เราไม่ต้องแบ่งให้เขาเพราะเขาหาของเขาได้ อย่ากจะได้บุญก็ทำบุญถูกไหมนัม่นมาขอบุญจากเราใช่ไหมอ่าอย่างนี้ก็เอาลาจะเปียก่อนสิตัวเองมีเงินไม่ยอมทำบุญแล้วให้เราทำบุญแล้วก็ให้แบ่งบุญให้กับเขามันแบ่งไม่ได้สต่เรบคนที่มีชีวิตอยู่ในแบ่งไม่ได้แต่คนที่ไม่มีร่างกายแล้วเนี่ยเขาหาเองไม่ได้เราถึงแบ่งบุญนี้ให้เขาได้ส่วนเรื่องแผ่เมตตานี่มันมันก็คล้ายๆกับแผ่บุญอะแต่มันไม่ใช่บุญแม่ มาใช่ความเมตตาก็คือความเป็นเพื่อนกันความเห็นใครแล้วก็ไม่ไปทำให้เขาเดือดร้อนแม่ทำให้เขาเสียใจให้ความสุขกับเขานี่เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ต้องมีบุญอันนี้ไม่ต้องมีบุญเป็นความปรารถนาดีปรารถนาดีเมตตากแปลว่าปรารถนาดีเวลาเจอหน้ากันเนี่ยทักทายกันเนี่ยก็เรียกว่าแผ่เมตตาแล้วอ๋ออันนี้ไม่ต้องมีบุญไม่มีบุญ ถามจากคุณน้ําผลจังหวัดระยองค่ะน้องสาวกินยาฆ่าตัวตายเขาจะได้ไปเกิดหรือเปล่าคะหรื อ, อยังวนเวียนอยู่ที่บ้าน อ, อ๋อได้เกิดแต่ก็กว่าจะเกิดก็ต้องให้บาปที่เกิดจากการทํำบาปนี้มันหมดกําลังก่อนแล้วก็ได้เกิดเพียงแต่ว่ามันจะกลับมาฆ่าตัวตายใหม่ถ้าเดี๋ยวมันเกิดเจอปัญหาแล้วมันแก้ไม่ได้มันก็จะแก้ด้วยวิธีฆ่าตัวตายไปเรื่อยนี่มันก็จะมันก็จะติดอยู่กับอบาย ตายมาเกิดพอพ้นจากบาปมาเกิดใหม่ก็มาฆ่าตัวตายใหม่ก็จะไม่มีวันที่จะผุดโผล่ไปไปสวรรค์ไปนิพพานได้เน้นต้องอย่ากแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายยอมอดทนสู้กับปัญหาไปแก้ไม่ได้ก็อยู่กับปัญหาไปยอมตายแต่อย่าฆ่าตัวตายถึงจะถูก วิธีแก้ปัญหาก็คือยอมตายถ้าถ้าแก้ไม่ได้ก็ให้ปัญหามันฆ่าเราก็แล้วกันแต่เราอย่าไปฆ่าเราเองให้ปัญหามันฆ่าเรารับรองได้ถ้าเราไม่ฆ่าเองแล้วให้ปัญหาฆ่าต่อไปเราจะไม่ต้องมาไม่าไม่ต้องมาฆ่าตัวตายต่อไปเราเจอปัญหาเราก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็ให้ปัญหามันฆ่าเราเช่นไม่มีเงินซื้อข้าวกินก็ adem, ก็ปล่อยให้มันอดตายไปอย่างนี้ก็จะไม่ทำบาป ล้าก็ไม่ต้องไปเกิดในอาบายเ้วจะทำให้มีพลกำลังที่ไปทำความดีต่อไปคำถามจากคุณชนทาราจังหวัดยะลาค่ะโยมมีโอกาสเดินออกกำลังกายถือเอาบทสวดมนต์และบทแผ่เมตตาไว้ปฏิบัติบูบชาด้วยถือว่าทำถูกไหมเจ้าคะเป็นการเดินแบบเงียบๆค่ะได้ถ้าเราใช้ ใช้แผนในใจเราท่องไปใ น, ในใจเราก็เป็นการฝึกสติไปในตัวคาถามจากคุณปิวค่ะจากจากที่ไหนเค้ากไมด้บอ่ถ้าไม่ได้บอกก็ไม่เป็นไรการถวายมะขามป้อมหรือน้ำผึ่งถวายนอกการเวลาฉันได้ไหมคะหรือต้องถวายตอนฉันเช้าเท่านั้นเ อ, อ่อถ้าเป็นของบางอย่างนี่เราถวายแล้วพระท่านก็ รับได้ทุกเวลาเช่นพวกน้ำพึ่งน้ำตาลอะไรของพวกนี้ท่านรับได้แต่ท่านรับได้แล้วท่านเก็บไว้ได้ไม่เกินเจวันถ้าท่านอยากจะเก็บไว้เกินเจวันท่านก็จะให้ญาติโยมวางไว้เฉยๆไม่ต้องรับกับมือแล้วเวลาต้องการจะใช้ก็ให้ลูกศิษย์มาประเคนให้ทีนึงให้มาถวายแทนถ้ารับกับมือแล้วของบางอย่างนี้พอพ้นเจวันก็ต้องสละไป อ่าใช่อ่าของบางอย่างก็ถ้ารับกับมือเดี๋ยวมันหมดหมดอายุทันทีถ้าไม่รับกับมือให้วางไวน้นี้ก็ยังไม่หมดอายุแต่ยังใช้ไม่ได้ถ้าเราอยากจะใช้เดี๋ยวต้องให้คนมาหยิบเลือกของบางอย่างที่เราต้องการให้เขาถวายให้ได้อืถ้ารับกับมือพอมันของมันจะมีอายุไงถ้าเป็นข้าวสารรับตอนนี้ก็เก็บไว้ไม่ได้ละเก็บไว้กินพรุ่งนี้ไม่ได้ละเพราะไม่ให้เก็บสะสมไว้ แต่ถ้าเป็นน้ำตาลนี่รับแล้วเก็บไว้ได้เจ็ดวันอพอเกินเจ็ดวันแล้วถึงมาจะเหลือก็ต้องสละไปไม่ไม่สะสมเป็นของตัวเองแต่ถ้าให้ถวายแบบนี้เอาไปเข้าคังของของวัดนี้ไม่เป็นของไม่ได้เป็นของส่วนตัวเวลาต้องการก็ค่อยไปให้เขามาหยิบประเคนถวายให้อันนี้ก็เหมือนกับได้ถวายให้กับสงฆ์นี่และสังฆทาน อ่าสังฆทานนี้ไม่ได้เป็นของคนทิดคนรับตรงนี้เป็นของสงฆ์ถ้าองค์ไหนต้องการเดี๋ยวเขาก็มาจีบไปได้มาให้ลูกศิษย์ช่วยประเคนให้ได้แต่ยังถึงไม่ได้ให้รับกับมือไงที่ของญาติโยมมาถวายเพราะบางอย่างมันปนกันแบบของมังบางอย่างมีอายุแค่ครึ่งวันเช่นอาหารข้าวสารในพวกนี้มันครึ่งวันนะเพราะหลังจากเพล้วรับก็เก็บไว้พรุ่งนี้กินไม่ได้แล้ว แต่ถ้าไม่รับกับมือให้วางไว้เดี๋ยวถ้าต้องการพวกนี้ให้เด็กประเคนได้เอาไปหุงใหม่ได้คำถามจากคุณคุกกี้ค่ะจากลบุรีค่ะอยากให้พระอาจารย์อธิบายปฏิจจสมุปบาทให้ฟังหน่อยค่ ะ, ะปฏิจจสมุปบาทก็คือการทำงานของใจเรานี่แหละใจเรานี่มันมี อวิชาคือความหลงอยู่ในใจเป็นเหมือนหัวหน้าทีมเป็นตัวที่สั่งให้ขันเราคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญานี้ทางานพ อ, อวิชาสั่งปับ๊บมันก็สั่งไปที่สังขารอาวิชาอยากจะกินเหล้าเนี่ยมันก็สั่งไปที่สังขารสังขารบอกว่าไปหาเหล้ามาให้กินหน่อยสังขารมันก็ส่งไปที่วิญญาณ วิญญาณมันก็ส่งไปที่ร่างกายสั่งไปที่ร่างกายมันต้องสั่งผ่านทางวิญญาณทางวิญญาณมันก็ไปที่ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันก็ไปเอาเล่ามามามากินะมันก็เป็นการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสกับตาหูจมูกลิ้นกายพอได้สัมผัสเล่าก็เกิดเวทนาขึ้นมาถ้าเกิดเป็นสุขเวทนาก็เกิดตัณหาอยากจะ กินขวดขวดนี้ก็เอาอีกขวดหนึ่งกินไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะติดก็เรียกอุปทานติดเหล้าขึ้นมาพอติดเหล้าแล้วมันก็จะทําให้ต้องมีเหล้าอยู่เรื่อยๆต้องกินเหล้าอยู่เรื่อยๆพอเวลาไม่มีเหล้าก็ต้องหาเหล้ามาการไม่หาเหล้ามาใหม่ก็เรียกว่าภาวะไปเกิดใหม่พอร่างกายนี้ตายไปยังติดเหล้าอยู่ยังอยากกินเหล้าอยู่ก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้กินเหล้า ต่อเนี่ยพบชาติเลยเกิดเพราะว่าเนี่ยอาวิชชาความหลงที่ไปคิดว่าความสุขก็คือการหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายสังขารเลยคิดปรุงแต่งสั่งให้เ hey, ด e ี๋ยวไปหาเหล้ากินหน่อยเว้ยมันก็สั่งไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายให้ไปหาเหล้าพอได้เล่ามามันก็ดื่มมันก็เกิดผัสสะสัมผัสพอได้ดื่มมันก็เกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาดื่มเล่าแล้วก็สุขขึ้นมาเพราะสุขก็ เกิดความอยากจะให้มันสุกอยู่เรื่อยๆพอเล่าหมดก็ต้องเติมใหม่เติมแก้วใหม่เติมไปเรื่อยๆพอเติมมากๆมันก็ติดเวลาไม่มีก็ต้องไปหาเล่ามากินเวลาไม่มีร่างกายก็ต้องไปหาร่างกายมาหาเล่าให้มันก็ต้องไปเกิดใหม่เนี่ยปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าอาวิชชาปัจจะยสังขาร า, าว่าอวิชชาสั่งให้คิดสังขารว่าให้คิดความคิดก็สั่งไปที่วิญญาณว่าไปหาตา ไปไปหาตาหูจมูกรื่นกายเพราะต้องมีตาหูจมูกลื่นกายถึงจะได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นน้อยของสิ่งที่เราอยากได้พอได้สัมผัสก็เกิดเวทนาเกิดความสุขขึ้นมาเพอเกิดความสุขก็เกิดความอยากอยากให้มันสุขไปเรื่อยๆพอมันหมดกระหามาใหม่มันก็ติดอุปทานพอมีอุปทานมันก็ทําให้ต้องไปเกิดใหม่เดี๋ยวพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ วันเวียดอยู่นี่ไม่มีวันสิ้นสุดในเล่าปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าเรามาสอนใจว่าทุกอย่างนี้ผิดหาความสุขทางร่างกายนี้ผิดเราก็เรียกว่าปัญญาหรือธรรมะถ้าเรามีธรรมะเราก็จะดับปริชาได้เปลี่ยนความเห็นใหม่เปลี่ยนจากปริชามาเป็นธรรมะธรรมะก็จะสั่งให้สังขารนะให้อย่าปรุงแต่งให้หยุดคิดปรุงแต่งอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรส นั่งอยู่เฉยๆนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิใจสงบใจก็มีความสุขไม่มีความอยากไม่มีความอยากไม่มีอุปทานไม่มีภพตามมาไม่ต้องไปเกิดใหม่ก็าจะไอย่างนี่ยปฏิจจส ม, มุปบาทคําถามจากคุณคลิปสุดาจากอังกฤษครับทําอย่างไรให้พ่อแม่ที่ไม่มีศีลธรรมมาเริ่มรักษาศีลได้ครับท่านทั้งสองมีปัจจัยสี่พร้อม แต่สแสวงหาวัตถุ ก, กันจนไม่เคยหาบุญกุศลเพื่อเป็นเสเบียงในภพหน้าค่ะก็บอกท่านเสศ็จบอกบอกให้รู้ว่ามีศีลนั้นเนี่ยคนที่อยากจะรักษาศีลก็รักษาได้นะวิธีรักษาศีลก็บอกก็วิรักษางานก็ไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปขอศีลสมัยนี้สมัยก่อนที่ต้องไปวัดเพราะไม่ไ ม, มีใครรู้ว่าศีลห้ามีอะไรก็ต้องไปถามพระนั่นเองการไปสมาทานก็คือไปถามพระว่าศีลห้ามีอะไรบ้าง สมัยนี้เรามีการศึกษาแล้วค้นคว้าหาใน google ได้อยากรักษาศีลก็เข้าไปค้นหาศีลห้าเดินใน google ก็ได้สมาทานกับ google ก็ได้ว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าก็รักษาได้แล้วอย่างเราก็บอกเขาได้เท่นี้แหละว่าถ้าอยากจะรักษาศีนหรือบอกว่ารักษาศีนแล้วจะได้ประโยชน์อะไรหนึ่งใจจะไม่ทุกข์ถ้าทำบาปแล้วใจจะทุกข์เวลาไปโกหกนี่มันจะทุกข์ เวลาไปขโมยของคนอื่นมันจะทุกข์ถ้าไม่ไปขโมยใจจะไม่ทุกข์ อ, อันนี้คืออันนี้สงสเกิดจากการรักษาศีลแล้วถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าตายไปก็จะมีสวรรค์มีนรกอีกถ้าทําบาป ก, ก็จะไม่ได้ไปสวรรค์จะต้องไปอบายไปนรกนี่ก็บอกได้แค่นี้แหละส่วนเขาจะรักษาหรือไม่รักษานี่เราไปบังคับก็ไม่ได้คําถามจากคุณประสิทธิ์ จากนครปฐมค่ะบาปจากการใช้เงินใส่บาทครับผลบาปจะได้รับผลอย่างไรครับอ๋อโยมไม่บาปหรอโยมก็ได้บุญเพียงแต่ว่าพระเนี่ยท่านทำผิดพระวินัยท่านก็เหมือนกับศีลไม่บริสุทธิ์คำถามคุณจักรคุณนคพลจากกรุงเทพคะ่ะใบาชาและเมล็ดกาแฟอยู่ได้เจ็ดวันหรือไม่คับอ๋ออยู่ได้ตลอดถ้าไ ม, ม่ผสมกับน้าตาลนะ แต่สมัยนี้มันมีกาแฟที่ผสมกับน้ําตาลกับนมเนี่ยถ้ามีนมนี่ก็อยู่ได้แค่ที่หนงวันเพราะนมนี่ถือว่าเป็นอาหารแต่ถ้ามีน้ําตาลกับกาแฟปนกันนี่ก็อยู่ได้เจ็ดวันแต่ถ้าไม่มีน้ําตาลมูลกับกาแฟกาแฟนี่อยู่ได้ตลอดไม่มีอายุแล้วถ้าเกิดเราไปถวายที่พระเขารับกับมือใช่ไหมค ะ, ะแล้วทีนี้เขาเอาไว้นานอย่างนี้ยคะ เขาเขาเขาเขาเขาเข า, เขาคิดอย่างนี้เขาคิดว่าเป็นการรับแบบแบบรับแบบ เ, เล่นๆไม่ได้แบบรับจริงรับแบบให้ใ ห, ให้เป็นพธิธีแล้วเขาก็เอาไปให้ลูกศิษย์เก็บไว้ให้แล้วเขาต้องการเขาก็บอกให้ลูกศิษย์มาประเคนใหม่ก็คือเหมือนกับทำพิธีไปให้เพอยาะญาติโยมไม่ยอมถ้าให้วางไว้เฉยๆฟัวไม่ได้บุญ<อ>ก็เลยต้องรับกับมือเท<อ>่านั้นเองแต่ท่านรับแบบ หมือนกับรับแบบหลอกหลอกอะ่ะเอหลอกหลออ่ารับแล้วก็ท่านก็ต้องไปประเคนใหม่ถ้าท่านต้องการจะใช้ใหม่ที่นนหนูก็เพิงรู้อันเนี้ยค่ ะ, ะแต่บางสำนักเขาไม่ก็ไม่ยอมหลอกเขาคิดว่าถ้ารับกับมือก็ต้องก็ต้องถือว่ารับแล้วอนี่มันก็แล้วแต่ว่าจะจะถื อ, อยังไงสมัยนี้บางทีมันก็ต้องถือแบบหลอกหลอกเหมือนกันเพราะไม่งั้นโยมก็ไม่ยอมไม่ยอมมันจะให้รับกับมืออย่างนั้น พอไม่รับกับมือก็น้อยใจเสียใจไม่ได้บุญอีกบางทีก็ต้องรับหลอกๆหลวงพ่อบางรูปท่านก็าผ้าวางไว้แต่ท่านไม่เอามือแตะผ้า <c oughs> <c oughs> เอาวางบนผ้าอย่างนี้ก <c oughs> <c oughs> ารนี้ก็เหล่าโยมมารับนะแต่คนจริงท่านยังไม่รับของที่รับนี้ยังท่านยังเอาไปใช้ไม่ได้ถ้าจะใช้ต้องไปให้ลูกศิษย์ปถวายใหม่ <c oughs> มันแค่เรื่องเทคนิคหน่อยนิดหน่อยเอย จะพูดอันนิดหน่อยนั่นเองยังไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตมโหลานเลยอย่างแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านสมัยโบราณท่านต้องการให้เข่งคัดถ้ารับก็รับเลยถ้าไม่รับก็ไม่รับเลยจะได้รู้จะได้ไม่ต้องมาบางเดี๋ยวบางออกมาหลอกว่าแกล้งรับแต่ความจริงรับจริงๆก็มีเอาไปใช้โดยที่ไม่พอรับแล้วแทนที่จะไาให้เด็กมาประเคนไม่หาเด็กไม่ได้กูก็หยิบใช้เองเลยเ มันก็ไม่ถูกพระวินัยมันไม่ถูกกฎระเบียบท่านั้นมันไม่ถึงกับบาปมันเพียงแต่ว่ามันทำให้มันทำให้หมอนกับว่าที่มีกฎระเบียบไว้เพื่อกันพวกกิเลสท่านั้นเองการกิเลสมังทีกิเลสบัญญัากได้แต่แต่มันยังจับไม่ได้ถ้าอยากได้ต้องให้เข้ามาถวายให้ก่อนแต่ถ้าให้คนถวายแล้วรับกิเลสมันก็อยากจะเก็บไว้นานๆก็เก็บไว้ไม่ได้อีก อระเจ้าไม่ให้เก็บถ้าอยากเก็บนานๆก็ต้องฝากลูกศิษย์ไว้ไม่ไม่ให้เก็บเป็นของตัวเองถ้าลูกศิษย์มันเอาไปกิจก็ช่วยไม่ได้ไ ป, ไปว่าไปว่ามันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เข้าใจไหมคําถามจ้าคุณมนัฐค่ะการเดินจงกรมควรเดินแบบไหนคะ ก็เด like ินแบบเดินอย่างไรก็เดินแบบธรรมดาเนี่ยเราเดินไปไหนมาไหนเดินแบบช้อปปิ้งก <|ja|> ็ได้เพียงแต่ว่าอย่าไปมองของนั่นเองให้มองเท้าแทนเดินไปแค่ดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจเราจดจ่ออยู่การเดินอย่างเดียวอย่าให้ไปคิดเรื่องต่างๆคือการเดินจงกรมเป็นการฝึกสติแล้วต้องพูดเดินะไรอ่ ได้อยากจะพูก็ได้ไม่พูก็ได้ออซ้ายหนอขวาหนอก็ได้ออก้าวหนอวางหนอก็ได้ไ ม, ไ, ดไม่พูดก็ได้ให้รู้เฉยๆว่ากําลังก้าวกําลังวางนี้ก็ได์เออพื่อจะได้ดึงใจไม่ให้ไปคิดไงบางทีคนต้องพูดเท่าน่อยมันจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คำถามจากคุณบุ๋มญิ๋จากสระบุรีค่ะช่วงที่พ่อไม่ให้ใส่บาตรไหว้พระ แต่หนูก็ยังใส่และยังเถียงพ่อเรื่องนี้หนูจะบาปไหมคะอ๋อถ้าเถียงก็บาปแต่ทําไม่บาปหรอกเราก็ทําขัวเราไปไม่ต้องไปเถียงพ่อก็ห้ามไม่ให้ใส่ก็เรื่องของเขาแล้วก็แอบใส่พวกเราไปก็ได้เพื่อให้เขาเขาอาจจะหลงเขาคิดว่าเราหลงแต่ความจริงเขาหลงก็คิดว่าเราทําบุญแบบทาพวกนี้แล้วไม่ได้บุญไม่ได้ประโยชน์ ท, ท, ท, ทําไปทําไมอ่าใช่เ ข, า, ขาอาจจะเป็นคนคิดแบบนั้นเขาก็เลยไม่อยากให้เราโง่ กลจะถูกหรอกอืมแต่ถ้าเราเชื่อว่าทําแล้วได้บุญเราก็ทำของเราไปก็แล้วกันแต่อย่าไปเถียงกันอย่าไปเถียงพ่อเถียงแม่แล้วถ้าเป็นไปได้อย่าไปทําต่อหน้าเขาควรจะไปหลบทําเขาจะได้ไม่เสียใจเขาจะได้ไม่มีความรู้สึกว่าเราไปท้าทายเขาหรือว่าไปอไม่เคารพเขาไม่เชื่อฟังเขาเ อ, าอีกหนึ่งคําถาม คำถามจากคุณสุวรรณาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมีเพื่อนรุ่นพี่บอกว่าให้ดูจิตไม่ต้องบริกรรมพุทโธให้ดูจิตเอาโดยหายใจเข้าสุดที่ตรงไหนตรงนั้นเป็นจิตให้ดูไปเรื่อยๆถูกอย่างไรขอป้าจไม่ิสาด้วยค่ะก็ถามว่าดูจิตทําไมล่ะถามก่อนดูแล้วได้อะไรจากการดูจิตถ้าดูจิตแล้วกิเลสตายก็ดูไปสิถ้าดูจิตแล้วความโลภความอยากหายไปก็ดูไปน ดูซิมันจะหายไหมแคะนั้นแหละแต่ถ้าหยุดจิตเนี่ยความโลภหยุดแน่แน่ความโกรธหยุดแน่แน่ถ้าไม่หยุดจิตความโลภความโกรธไม่มีวันหยุดหรอกมันจะหยุดได้ไงเดี๋ยวมันก็คิดมันก็คิดอยากมันก็มันก็โลภอยากได้ขึ้นมาแล้วคิดว่าเราจะหยุดมันได้หรือถ้าเราดูจิตแล้วสั่งให้มันหยุดได้มั้ยหยุดความโลภได้หยุดความโกรธได้มั้ยแต่ใช้พุทโธนี่คือเป็นการตัดเลยอ่ตัดเลยหยุดชุบโธพุท เอ่าใช่มันก็หยุดมันก็คิดไม่ได้คิดไม่ได้มันก็โลภไม่ได้แต่ถ้าดูนี่ก็คือตามตามเหมือนตามไปจิตก็ยังคิดแต่ก็เหมือนตามตามไปเอตามไปแต่ไม่ตามไม่หยุดอ่าเดี๋ยวก็ไปด่าคนนั้นเดี๋ยวก็ไปตีคนนี้ก็ดูมันไปแตดูอ่าถ้าดูแล้วหยุดได้ก็โอเคแต่ดูแล้วมันหยุดไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มีอะไรไปหยุดมันเราจะไปหยุดมันได้ยังไงอ่าเราฉันเราต้องมีเครื่องมือหยุดมันสิมีต้องมีสติ เาแล้วนะคิดว่าคำถามก็พอสมควรวันนี้ทั้งหมดกี่จังหวัดสามสี่จังหวัดครับต่างประเทศไม่ได้จดนะสามสิบสีจ่จังหวัดนะเกือบครึ่งหนึ่งล ะ, ะก็ลองจดดูต่อไปนะตอนนี้ท่านที่ส่งข้อความมาขอความปรินาบอกที่ที่มาด้วยจังหวัดที่ท่านอยู่เพื่อเราจะได้รู้ว่ามีเพื่อนสาธมิกะอยู่ที่ไหนกันบ้างแปล ว, ว่าไหนไปบ้านท่านจะได้ไปเยี่ยมเยียน <laughs>